ต้องให้ญาติโยมปิดโทรศัพท์มือถือกันก่อนนะเพราะว่าสัญญาณมันมารบกวนสัญญาณของเสียงเทศใครมีมือถือช่วยปิดก่อนนะเดี๋ยวสัญญาณมันชนกันคนทางบ้านก็ฟังไม่เรื่องคนทางบ้านเขาปิดตามถ่ายทอดสดเ้าบอกว่าสัญญาณโทรศัพท์ของญาติโยมมันไป ชนกับเสียงสัญญาณเสียงแสดงธรรมงั้นใครมีมือถือช่วยปิดปิดก็ปิดสัญญาณก่อนคยอย่าใช้โทรศัพท์มือถือตอนนี้งั้นเดี๋ยวรบกวกันหนงทีเดี๋ยวเสียงกระดังขึ้นนะ กี่คนมาทั้9เ้าคนเจ้าคะเน่นี้มนแม่เอก็มา่าแม่มาด้วยไม่ได้เจอกันนานแล้วน ะ, ะแต่ตอนนี้เ อ, เอทำอะไรอยู่อ่ะทำงานค่ะลูกเดินกับการทีมงานด้มีลูกสองคนน ะ, ะลูกสองคนใช่ไหมค่ ะ, คะดูเขามีความสุขนี เป็นเป็นญาติกันแล้วว่าเป็นเพื่อนกันเพื่อนกันค่ะเพื่อนสมัยเรียนหนังสือค่ ะ, ะบางคนมาที่นี่เป็นครั้งแรกอ๋อมีเดนี้ยังไปปฏิบัติธรรมบ้างหรือเปล่าลุงไปที่ภูหลมคุ้งมาค่ะใกล้ใกล้กับที่เจากก้จา ก, ก้อนมีอาจารย์อะไรอยู่่ะอาจารย์พลอาจารย์คลเป็นลูกศิษย์ของกุล่า ที่คุณก็ท่า น, นท่านไม่ได้เทศคอาหารแต่ว่าจันทนี้ท่านจะเทศจะสอนทุกวันจันทน์ใ้ท่านพันสามารถก็ยังพันสามารถก็ยังรรษาครับน่าจะอายุประมาณหกสิบค่ อ, อก็ 40, สี่สิบพรรษาค่ะประมาณประมาณแล้วท่านสอนดีไหม ภจะคือท่านพูภาษากลางได้ด้วยค่ะท่านเทศทุกวันไงทุกวันค่ะคือแบบเทศแบบพูดอะไรอย่างเงี้ยจะะชาวบ้านที่เขามาทาบุญอะไร่ะเงทศตอนเช้าเหรอตอนเช้าก่อนตอนช้าจังหารแล้วก็หลับติดขันจังหารแล้วเลยมีค่าแนยเยอะไหมคับ ก็ในคำสารน่าจะประมาณเกือบยี่สิบะค่ะค่อนข้างเยอะอวัดเป็นภูวรเหรอเป็นอยู่บนเขาใช่ไหะก็ทิ้งไปค่อนข้างลำบากแต่ภาระยาหลังๆนี่ก็สะดวกขึ้นค่ะแบบลดขึ้นไปได้ถึงถึงบนตลาข้างบนค่ะแล้วเขามีต้นไม้เยอะไหมก็บางบางที่เยอะแต่ส่วนมากมันจะเป็นพารหินค่ะ ร้อนงร้อนหน้าร้อนก็ร้อนหน้าหนาวก็หนาวแล้วลมลมก็แรงทุกคนแล้วที่พักของคารวาวามีก็มีมมอของพวกโยมก็มีเป็นหลังๆอะไรนี่ทุกคนมีมีโยมที่เขาอยู่ประจำก็มีได้นั่นก็ค่อนข้างจ ะ, จะสะดวกถ้าเราจะไปพักเลยนา้มีมีหลายหลัง<า>นะค่ะเย อยู่เป็นหลังเดียวอยู่เป็นนเดียวอะไรเงี้ยค่ะเราก็ขอไปพักหน้าต้องมีกิจกรรมเข้าโรงครัวป่ะก็แล้วแต่แต่เราค่ะอะจะไปช่วยที่โรงครัวก็ได้ไม่ไปก็ได้ อ, อยากจะถอยอะไรก็ถอยเไม่จะรอกัอน อาอยู่ทีละกี่วันนะยมก็ยังไปมันได้ไม่ได้มากเพราะต้องดูแลคุณแม่ไปครั้งละห้าวันอะไรแนแต่คือใจมันก็อยากจะไปอยู่นานๆแต่บมันก็เป็นห่วงไม่ที่บ้านอะไรี้คุณแม่ที่เป็นคุณยายของเอ๊ใช่ไหมใช่ที่อายุเก้าสิบกว่าเนี่ยอาเอาคุณคุณยาคนนั้นเสียไปแล้วเสียตอนอายุน้อยสองอ้อย เก้าสบหกแล้วค่ะ ม, มันก็ก็ต้องมีคนอยู่คืเแื่คือเยี่ยมกรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้มองดูหลายๆคนก็มีภาระที่ต้องที่ต้องดูแลอะะอย่างเงยค่ะทุกคนมีพ่อมีอมแม่ค่ะไม่มก็ท่านอาจจะจําได้ทัศนีที่เคยามาด้วยกันเขาก็าาต้องดูคุณแม่จะมาจะคือเรียกว่าไปไหนค็ต้อนข้างลำบากานั่นแหละ พระพุทธเจ้าจึงบอกว่าเวลาตอนที่ว่างมีเวลาก็ให้ควรรีบปฏิบัติทำกันอย่าะมาเถ้าะเดี๋ยวมันจะไม่มีเวลาให้ปฏิบัติเพราะอาจจะต้องดูแลคนนั้นคนนี้หรือตัวเองเก็บไข้ได้ป่วยตอนไหนมีเวลาปฏิบัติควรจะรีบปฏิบัติกันเพราะการปฏิบัติเป็นวิธีที่จะทําให้เรา ได้พัฒนาจิตใจได้ธรรมะได้ที่เพิ่งได้หลุดพ้นต้องเกิดจากการปฏิบัติการฟังเทศฟังธรรมอย่างเดียวไม่พอฟังเทศฟังธรรมเพื่อให้รู้จักวิธีปฏิบัติเพื่อที่เราจะได้เอาไปปฏิบัติให้ถูกต้องแต่ถ้าเราไม่ปฏิบัติมันก็เหมือนกับไม่ได้ เรียนไม่เรียนก็เหมือนกันฟังเทศฟังธรรมอยฟังแล้วไม่ฟังก็เหมือนกันถ้าฟังแล้วไม่ปฏิบัติกับไม่ฟังก็ไม่ปฏิบัติมันก็เท่ากันแต่ถ้าจะปฏิบัติก็ต้องฟังเทศฟังธรรมก่อนต้องเรียนก่อนเพราะถ้าไม่ฟังเทศฟังธรรมไม่เรียนเดี๋ยวก็ไม่รู้จักทางก็จะหลงทางได้ปฏิบัติโดยไม่เรียนก็ไม่ถูก ปฏิบัติารเรียนแล้วไม่ปฏิบัติก็ไม่ถูกมันต้องเรียนแล้วก็ปฏิบัติแล้วปฏิเวทคือผลของการปฏิบัติก็จะเกิดขึ้นเรียนเพื่อให้รู้วิธีปฏิบัติที่ถูกต้องเมื่อรู้จักวิธีที่ถูกต้องแล้วปฏิบัติผลก็จะเกิดขึ้ hmm. นมาอย่างถูกต้องผลที่เราต้องการก็จะเกิดขึ้นถ้าปฏิบัติถ้าเรียนโดยที่ไม่ได้เรียนแล้วปฏิบัติ ผลที่เราต้องการก็จะไม่เกิดอาจจะเกิดผลเสียขึ้นมาแทนที่จะเป็นผลดีที่เขาว่าคนปฏิบัติแล้วเป็นบ้าส่วนเองก็มีเหตุเพราะว่าไม่ได้เรียนไม่ได้ศึกษาปฏิบัติไปตามความรู้ความรู้สึกและคิดของต น, นงานั่งก็นั่งแบบไม่มีสติควบคุมใจนั่งแล้ว่า ปล่อยให้อะไรโผล่ขึ้นมาในใจแล้วก็ไปว่าเป็นนู่นเป็นนี่ไปบางคนก็ว่าเป็นเทวดาบางคนก็ว่าผีมีเจ้าผีอะไรมาเข้ามาเสียงเข้ามาโซ่อันนี้ปฏิบัติแบบไม่ได้ศึกษาไม่ได้เรียนกันเราไม่ถามพวกที่เข้าเจ้าเข้าทรงถามเข้าไปเรียนมันยากใครนะเนี่ะรับรองได้ไม่ได้เรียนจากข้พุทธศาสนา เพราะพระพุทธศาสนาไม่ได้สอนให้เข้าเจ้าเข้าโสสอนให้ใจสงบสอนให้ใจมีความสุขสอนให้ใจหลุดพ้นจากความทุกข์เวลานั่งก็ต้องมีสติควบคุมใจไม่ปล่อยให้ใจสร้างอะไรต่างๆขึ้นมาหลอกใจเองสร้างภาพสร้างเสียงสร้างอะไรต่างๆขึ้นมา แล้วก็แล้วก็ไปคิดว่าเป็นเทวดาเป็นเท่ามาหาพรหมเป็นอะไรเข้ามาอันนี้ไม่ใช่วิธีการปฏิบัติเพื่อหลุดพ้นจากความทุกข์วิธีปฏิบัติเพื่อหลุดพ้นรับจากความทุกต้องทําใจให้สงบใจสงบแล้วมีความสุขไม่ว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้น ใจที่สงบก็จะไม่ทุกข์คนจะตายคนอื่นจะตายคนอื่นจะเป็นอะไรคนอื่นเขาจะด่าเราว่าเราถ้าใจสงบล้วใจจะไม่เดือดร้อนเฉยๆนี่เรียกว่ามีอุเบกขาไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงนี่คือเป้าหมายของาศาสนาพุทธ การปฏิบัติของาศาสนาพุทธปฏิบัติเพื่อให้ดับความทุกข์ใจต่างๆใจทุกข์เพราะใจคิดคิดถึงคนนั่นคิดถึงคนนี้ก็ห่วงก่อนแล้วคิดถึงคุณแม่ห่วงเหมตอนนี้คุณแม่อยู่บ้านเราอยู่ตรงนี้พอคิดถึงคุณแม่ขึ้นมาก็ห่วงว่าจะเป็นมีอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณแม่หรือเปล่า ถ้ามันเกิดมันก็เกิดแหละเราจะคิดไม่คิดมันก็มันก็ไปเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้ใช่ตอนนี้แม่อาจจะอ์หยุดหายใจ เ, เราจะไปทำอะไร เ, าเราอยู่ตรงนี้เขาอยู่ตรงนั้ น, นแล้วเราอยู่ตรงนั้นเขาหยุดเขาหยุดหายใจเราไปทำให้เขาหายใจกลับเป็นใหม่ได้หรือเปลาพราห้ามไม่ได้เดีเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้ ไม่คิดไปในทางที่จะทําให้ใจเราไม่ทุกข์กันคิดว่าเกิดแล้วก็ต้องตายเนี่ยคิดอย่างนี้แล้วเราจะไม่ทุกข์กันเวลาคนตายเราจะรู้สึกเฉยเฉยแต่ถ้าเราคิดว่าเกิดมาแล้วต้องไม่ตายเนี้ยเดี๋ยวพอใครตายเนี่ยทุกข์กันใหญ่เลยเอาถึงสอนให้เราคิดถ้าจะคิดให้คิดไปในทางที่จะทําให้เราไม่ทุกข์ เกิดมาแล้วต้องแก่เป็นธรรมดาต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาต้องตายไปเป็นธรรมดาต้องพัดพากจากกันเป็นธรรมดาให้คิดแบบนี้แล้วใจจะไม่ทุกเวลาเวลาเจอความแก่ก็จะไม่ทุกเวลาเจอความเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะไม่ทุกเวลาเจอความตายก็จะไม่ทุกเวลาเจอการพัดพากจากกันก็จะไม่ทุก พอรู้อยู่แล้วว่ามันต้องเกิดอะไรเตรียมตัวเตรียมใจรับกับเหตุการณ์ทำใจได้แต่ถ้าไม่คิดนี่คิดว่าจะต้องอยู่ไปด้วยกันเรื่อยๆไม่มีวันจากกันพอเป็นอะไรขึ้นมาหน่อยวุ่นวายกันใหญ่ตกใจกันพอต้องเข้าโรงพยาบาลนี่ก็เดือดนร้อนกันใหญ่เะเพราไม่คิดไว้ก่อนคิดอยากจะให้เขาอยู่อย่างเดียวชอบคิดอย่างนี้ อยากให้เขาอยู่ไปนานๆนอยากให้เขาไม่เจ็บไข้ได้ป่วยหรือเราก็เหมือนกันเราก็อยากจะอยู่ไปนานๆอยากให้ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยพอเจ็บท้องขึ้นมาเจ็บศรีรษะขึ้นมาไปหาหมอก็ตกใจนะหมอก็ต้องตรวจดูเวลารอรอผลก็กวนกระวายกินไม่ได้นอนไม่หลับแล้วถ้าไปเจอผลไม่ดีอ มีมะเร็งอยู่ในสมองมีลมะเร็งอยู่ในลำไส้ทีนี้ก็ยิ่งทุกข์ใหญนะ่แต่ถ้าคิดว่าเกิดมาแล้วต้องเจ็บให้ได้ป่วยเป็นธรรมดาแล้วเดี๋ยวก็ต้องตายไปเป็นธรรมดามันก็จะทำใจได้เพราะมันคิดอยู่เรื่อยๆต้องคิดอยู่บ่อยๆคิดจนกระทั่งมันทำใจได้ ชิดจะมันยอมรับได้วนะ่าต้องป่วยต้องเจ็บต้องตายเป็นธรรมดาอันนี้ถ้าจะคิดให้คิดแบบนี้ถ้าไปคิดว่าอออยากอยากให้อยู่กันไปนานๆอยากให้ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยอยากให้มีแต่ความสุขคิดอย่างนี้ก็จะทุกข์ไปเปล่าๆเพราะจะกังวลเวลาไม่เห็นหน้าเห็นตากันก็ตกใจ ่วดใยเป็นอะไรไปหรือเปล่าเคยเคยพบกันทุกวันพอวันนี้ไม่ได้พบกันตกใจนะเป็นอะไรไปหรือเปล่า <c oughs> นี่คือใจของเราชอบคิดไปในทางที่ทำให้เราทุกข์กันเราจรึงต้องมาควบคุมความคิดให้ได้ตอนต้นก็หยุดคิดก่อนอย่าให้มันคิดอะไร เพราะความคิดของเราส่วนใหญ่มันคิดไปในทางที่จะทำให้เราไม่สบายใจกันแล้พอเราหยุดคิดได้ใจเราก็มีความสงบมีความสุขสบายใจไม่กังวลไม่ห่วงใยเพราะตอนนั้นไม่ได้คิดถึงไข่ไม่โลภไม่อยากได้อะไรแต่ถ้าไปคิดถึงคนนั้นคนนี้ก็ห่วงใยเขาวุตกกังวลคิดถึง ข้าวของเงินทองก็อยากจะได้คิดถึงเสื้อผ้าคิดถึงขนมนมเนยก็อยากจะซื้ออยากจะกินกันพออยากแล้วก็อยู่ไม่เป็นสุขแล้วอยู่เฉยเฉยไม่ได้ต้องไปทำตามความอยากถึงจะหายจากความหงุดหยิบตําคาใจแล้วพอได้มาแล้วก็ไม่พอก็อยากได้ใหม่ มันก็จะหลอกให้เราไปหามาเรื่อยๆเวลาไม่มีปัญญาหาก็เดือดร้อนไม่มีเงินไปซื้อของที่อยากจะซื้อก็ไม่สบายใจนะก็ต้องไปหาเงินหาทองไปทำงานทำการไปทุกข์กับการหาเงินหาทองกันถ้าปล่อยให้ใจคิดแล้วมันจะพาเราคิดไปในทางความโลภความอยากเลยพาไปในทางความ วิตกกังวลเมือพาไปในทางเศร้าโศกเสียใจเวลาสูญเสียสิ่งที่เราได้มาไปทั้งๆ ท, ท, ที่รู้อยู่ว่าตายไปก็ อ, อะไรไปไม่ได้สักวันนึงก็ต้องตายจากทุกสิ่งทุกอย่างไปแต่ไม่พร้อมไม่อยากให้มันจากกันความคิดมันจะพาให้เราหิวเราอยาก ได้อะไรมาเท่าไหร่ก็ไม่พอใช่ไหมได้มาตั้งแตั้งแต่เกิดมาเนี่ยได้อะไรมาบ้างม า, ม า, มาบ้างแล้วมากน้อยเท่าไหร่เจอคําว่าพอเลยอย่างอพออเนี่ยตัวสองตัวเนี่ยก่ไก่ถึงพอนกุ้งเนี่ยถึงเคยเจอตัวพอกับตัวอไอม่ไม่เคยเจอเจอแต่ตัวออยาอโยออากอกันอเจอแต่ยา ก, กัน อ ย, อยากได้นู่นอยากได้นี่อยากมีนั่นอยากมีนี่กันอยากมันทั้งวันทั้งคืนเนะตินขึ้นมาก็อยากนะทำให้มไม่เตินมาแล้วบอกพอบ้างอนะ่ะวันนี้พอแล้วไม่อยากจะได้อะไรแนละ้วอยู่เฉยๆก็มีความสุขใจนี่มันพอได้นะถ้าเรารู้จักทาให้มันพอแต่เราไม่ชอบทำให้มันอยากกันอันนี้ทาให้มันพอเรากลับไปทำให้มันอยาก วิธีทาให้มันอยากก็ให้มันคิดเนี่ยให้คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้เดี๋ยวมันก็อยากขึ้นมานะถ้าอยากให้มันพอก็หยุดคิดสปพอหยุดคิดแล้วมันก็พอมันจะอิ่มขึ้นมา ท, าทันทีมันจะสุขมันจะสบายมันจะไม่อยากได้อะไรนี่แหละคือความสุขของเราอยู่ที่ความพออยู่ที่ความหยุดคิด พอใจเราหยุดคิดแล้วใจเราจะพอขึ้นมา ท, าทันทีพอใจเราคิดปั๊บก็จะอยากขึ้นมา ท, าทันทีอยากได้นั่นอยากมีนี่อยากไปโน่อนอยากมานี่ใช่ไหมอยู่บ้านก็อยากจะมาที่นี่พอมาที่นี่แล้วเดี๋ยวก็อยากจะกลับบ้านนะมาก็อยู่สิไหนมาแล้วก็อยู่ด้วยกันนานๆพออยู่ปั๊บมาเดียเด๋ยวๆเดียเด๋ยวก็อยากกลับบ้านเลยนะ พอกลับบ้านแล้วก็อยากออกจากบ้านอีกนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ออกอีกนะพอมันคิดแล้วมันก็อยากไปเนี่ยแต่ถ้าอยู่บ้านแล้วนั่งพุทโธพุทโธพุทโธไปอย่าไปคิดอะไรมันก็ไม่ออกไปไหนคุบพุทโธนี่มันจะคุมใจไม่ให้คิดได้พอมันไม่คิดมันก็ไม่รู้จะไปไหนมันไม่มีใครมาชวนเนี่ยไอตัวที่มาชวนก็คือความคิดเราเนี่ยชวนตัวเองไปนั่นดีไหมครนี่ดีไหม ไปชอปปิ้งนู่นดีไหมไปซื้ออนุ่นดีมหมเซื้ออนี่ดีไหมมันก็จะชวนคิดไปเรื่อยๆให้ เ, เราก็พอมันชวนก็เลยต้องไปเพราะเราไม่มีความพอในตัวเราเออพอเราไม่รู้ว่าความพออยู่ตรงไหนกันไม่เคยคิดถึงคําว่าพอกันเลยใช่ไหมตั้งแต่เกิดมานี่เคยคิดบ้างไหมว่าเมื่อไหร่จะพอสักทีเคยถามตัวเองบ้างว่าเมื่อไหร่มึงจะพอสักทีวะ เห็นมีแต่อยากอยู่ได้ทุกปันทุกเวลาพอไม่เป็นกันหยุดไม่เป็นกันเพระพุทธเจ้าเป็นองค์คนแรกที่ค้นพบคําว่าพอกันเขาเรียกว่าเมืองพอเมืองพอก็คือนิพานเนี่ยนิพานนี่เป็นที่ไม่มีความหิวไม่มีความอยากไม่มีความต้องการอะไรมีแต่บรลมัสุขปรมังสุขขังนิบานังปรมังสุขขัง คำว่าสุกแข็งก็คือสุกจนเท่าสุกจนไม่รู้อยากมันก็ไม่อยากได้อะไรแล้วสุขเต็มที่แล้วสุกเต็มเปลี่ยนภายในหัวใจได้อะไรมาเพิ่มก็ได้อะไรมาก็ไม่ได้ทําให้มันสุขมากไปกว่านี้ถ้าเป็นเหมือนแก้วน้ําก็น้ํามันเต็มแก้วแล้วจะเทน้ําเข้าไปเท่าไหร่มันก็ล้อนออกมาหมดมันก็ไม่ได้มากไปกว่าที่มีอยู่ นี่ใจที่พอมันจะเป็นอย่างนี้มันจะรู้สึกเหมือนกับน้ำที่เต็มแก้วมันจะไม่อยากจะเทอะไรเข้าไปในแก้วนั้นอีกเพราะเทไปมันก็ล้นออกมาไม่ได้มีอะไรมากขึ้นไปกว่าเดิมแล้วเหนื่อยไปทาไมกลับไปเอานูาน่นเอานี่มาทาไมเมื่อใจมันพอแล้วมันไม่ไปขวนขวายหาอะไรอีกละอยู่เฉยเฉยสบายนี่หละคือความสุขที่แท้จริง ความหลุดพ้นจากความทุกข์ก็หลุดตรงนี้หลุดตรงที่ใจเราพอหยุดตรงที่ใจเราหยุดคิดกันหยุดความอยากกันถ้าไม่มีความอยากแล้วมันก็ความพอมันก็โผล่ขึ้นมาเองมันเป็นเป็นเหมือนสองด้านกันถ้ามีความอยากมันก็ไม่พอใช่ไหมถ้ามันมีความพอมันก็ไม่อยากในชะ่นี่มันเหมือนเหรียญนนะ่มีหัวกับก้อยนะ ถ้าเรหันหัวขึ้นมามันก้อยมันก็หายไปอาหารหันหันหันด้านก้อยขึ้นมาด้านหัวมันก็หายไปเหมือนกับกลางวันกับกลางคืนมืดกับแจ้งถ้ามันแจ้งมันก็ไม่มืดใช่ไหมถ้ามันมืดมันก็ไม่แจ้งมันอยู่ด้วยกันไม่ได้สองตัวนี้ความอยากกับความพอมันก็อยู่ด้วยกันไม่ได้มันต้องตัวใดตัวหนึ่ง ตัวไหนชนะตัวนั้นก็อยู่ตัวไหนแพ้ตัวนั้นก็ไปถ้าความพอแพ้ความอยากก็โผลขึ้นมาถ้าความอยากแพ้ความพอก็โผลขึ้นมาความสุขจึงไม่ได้อยู่ที่ว่ามีมากมีน้อยเพราะมีเท่าไหร่ถ้ามันยังไม่พอมันก็มันก็อยากอยู่นั่นแหละได้มาล้านก็ยังไม่พอได้มาสิบล้านก็ยังไม่พอ พราะถ้ามันคิดแล้วมันไม่พอพอมันคิดแล้วมันก็เห็นช่องทางเนาะมีเงินเอาไปทํานูน่ทนทํานี่เดี๋ยวก็ได้เงินเพิ่มขึ้นมาอีกแล้วก็อยากไปได้เรื่อยแล้วเวลาอยากมันก็อยู่ไม่เป็นสุขใช่หไหมอยู่เฉยเฉยไม่ได้คนที่มีความสุขจริงๆต้องเนคนที่อยู่เฉยเฉยได้ไม่ต้องทําอะไรไม่ต้องไปไหนมาไหนไม่ต้องมีอะไรให้ดูไม่ต้องมีอะไรให้ฟัง ไม่ต้องมีอะไรให้ดื่มให้รับประทานไม่ต้องมีคนนั้นคนนี้มาเป็นเพื่อนแก้เหงาเพราะคนที่พอแล้วไม่มีความเหงาความอยากนี่ทำให้เราเหงาเวลาเราอยู่คนเดียวเนี่ยมันจะอยากมีเพื่อนขึ้นมาทันทีมันก็จะรู้สึกเหงาอยากจะมีอะไรทําพอไม่มีอะไรทําก็รู้สึกเหงาขึ้นมา ถ้าอยู่คนเดียวก็นั่งพุโทโธพุโทโธไปเลยหลับตาพุโทโธพุโทโธไปทาใจให้มันหยุดคิดแล้วมันจะพอแล้วมันจะไม่เหงามันจะไม่อยากได้อะไรอยู่คนเดียวได้อย่างสบายการได้อะไรมาแทนที่จะเป็นความสุขก็เป็นความทุกข์ขึ้นมาได้มาก็ดีใจเดียวเดียวเดี๋ยวอยู่ด้วยกันนานๆก็เบื่อขี่หน้ากัน เดี๋ยวก็ทะเลาะกันเองมีความเห็นไม่ตรงกันมีความอยากไม่เหมือนกันเดี๋ยวก็ทะเลาะกันคนนึงอยากจะนอนคนอยากจะดูทีวีคนหนึ่งอยากจะไปเที่ยวข้างนอกคนหนึ่งอยากจะอยู่ที่บ้านเดี๋ยวก็อยู่ด้วยกันไม่ได้ความสุขที่เคยได้จากการอยู่ด้วยกันก็กลายเป็นความทุกข์ขึ้นงั้นได้อะไรมาไม่ช้าก็เลยมันจะมันจะกลายเป็นความทุกข์ขึ้น เวลาได้อะไรมาใหม่ๆก็เป็นความสุขกันแต่งงานใหม่ๆนี่สุขมากแล้วพออยู่ไปสักพักหนึ่งความสุขนั้นหายไปไหนนะมีแต่เรื่องทะเลาะกันมีแต่เรื่องมีความเห็นไม่ตรงกันมีความอยากไม่เหมือนกันปัญหาของพวกเราก็คือเราไม่รู้จักทําใจให้เราพอให้อยู่เฉยๆไม่ต้องมีอะไร พอเราสามารถทำใจให้สงบได้มันจะพอมันจะไม่อยากได้อะไรไม่อยากมีอะไรอยู่คนเดียวได้แม้แต่ร่างกายนี้ไม่มีมันก็อยู่ได้เพราะความพอไม่ได้อยู่ที่ร่างกายความพออยู่ที่ใจคนที่มีความพอที่ใจยังต้องกินอาหารอยู่อย่างพระพุทธเจ้าภาอาหารนี้ก็ยังต้องกินอาหารต้องดื่มน้ำแต่ถ้าไม่กินไม่ดื่มเหมือนพวกเรา ท่า น, นกินดืม่มแบบกินยาถึงเวลาก็กินถึงเวลาก็ดื่แต่พวกเรานี่มันกินด้วยความอยากกันกินด้วยความไม่พ อ, อกินพอกินอิ่มแล้วก็ยังดันเผนกินเข้าไปกินมากจนกระทั่งร่างกายนี้มันพองขึ้นมานะร่างกายคนเราธรรมดามันไม่พองกันหรอกแต่ความอยากนี่มันทำให้ร่างกายมันพองเป็นลูกโป่งเลยนะ พราะความอยากกินมากเกินไปพออยากแล้วมันก็อดไม่ได้หยุดไม่ได้ทนไม่ได้ถ้ามีความพอแล้วมันจะกินแค่แค่พอให้มันรู้สึกอิ่มมันมันก็หยุดกินลนะพอมันเริ่มรู้สึกอิ่มมันก็ไม่อยากจะกินลนะมันหรือว่าร่างกายมันไม่ต้องกะมันพอแนละ้ว คือการฟังเทศฟังธรรมเราจะได้เรียนรู้ว่าปัญหาของพวกเราอยู่ตรงไหนกันปัญหาของพวกเราก็อยู่ตรงที่ไม่มีความพอเนี่ยความไม่รู้ว่าทำให้พออย่างไรกลับไปหลวงคิดว่ายิ่งมีมากยิ่งจะพอใช่ไหมอตอนนี้อยากได้นู่นอยากได้นี่ก็ไปหามาหามาได้แล้วคิดว่าจะพอเนี่ยกลับไม่พอกลับอยาจะได้เพิ่มมากขึ้นไป คือก็อยากจะเอาสอบมาสิได้สอบก็อยากจะเอาวานะอตอนต้นนี่ได้สักหมื่นนึงก็ดีใจแนละ้วสมัยเด็กๆนี่ยได้วันละกี่ตังค์ไปเรียนหนังสือเลยโรงเรียนสมัยเรานี่ได้วันละสิบบาทก็เยอะแนละ้วแล้วพอโตขึ้นมาทํางานได้เดือนละพันเดือนละหมื่นพอไหมไม่พอแล้วย พอยิ่งมีเงินมันก็ยังมันก็มีความอยากจะซื้ออยากจะใช้เงินยินงไปมากขึ้นมีเงินหมื่นก็ซื้อของราคาระดับหมื่นแต่พอมีเงินแสนก็ไปซื้อของระดับราคาระดับแสนของเงนเดียวกันน่ยอย่างเดียวกันเน่ยเสื้อผ้าเคยซื้อใช้ใช้ระดับหมื่นก็ต้องไปซื้อเสื้อผ้าระดับแสนเนยรถระดับหมื่นก็ต้องไปเป็นรถระดับแสนขึ้นไป ถ้ามีมากมันก็จะใช้มากมันก็ใช้ของงานเดียวกันะอย่างเดียวกันรถมันก็รถเหมือนกันสีล่ล้อพาเราไปไหนมาไหนได้เหมือนกันตอนต้นมีเงินน้อยก็ซื้อรถราคาน้อยพอมีเงินมากก็ซื้อรถราคามากขึ้นไปแล้มันต่างกันตรงไห น, นมันก็ไปถึงที่เดียวกันนะมีเท่าไหร่ก็ไม่พอไงมีเงินเท่าไหร่จริงๆไม่พอเพราะมันมีของให้ซื้ออยู่เรื่อยๆ มีเงินมีเงินล้านก็ซื้อบ้านร ะ, ะดับล้า น, น, านร ะ, านะดับล้านมีเงินร้อยล้านก็ซื้อบ้านระดับร้อยล้านขึ้นไปความอยากมันไม่มีวันพอแล้วมันไม่ทําให้เราสุขยิ่งมีมากก็ยิ่งต้องกังวลมากต้องดูแลข้าวของมากมีสมบัติมากก็ต้องห่วงใหญ่มากกังวลมากหาความสงบหาความสุขไม่ได้ งั้นเราต้องมาหยุดความคิดกันหยุดความคิดแล้วก็จะหยุดความอยากได้หยุดความอยากได้ก็จะพบความพอขึ้นมาดูพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างพระพุทธเจ้าก่อนที่ท่านบวชท่านก็มีเยอะแยะเลยมีปราสาทสามฤดูมีคนค่าราชบ ร, ริพารมาคอยรับใช้เป็นจำนวนมากมายมีงานเลี้ยงทั้งวันทั้งคืน มีการลเล่นมีการบันเทิงมีอะไรให้ดูให้ชมมันกันตลอดเวลาแต่พอท่านมาปฏิบัติธรรมออกบวดพอทำใจให้สงบความอยากมีอะไรหายไปหมดเลยกลับอยู่แบบส ม, มะถะเรียบง่ายสมบัติของพระเจ้ามีอยู่แค่แปดชิ้นนะัเนี่ยที่เรียกว่าอัถฐบริขารมีอะไรบ้างบาทหนึ่งใบ ไม้สำหรับหาอาหารเลี้ยงชีพผ้าจีวรสามผืนก็เป็นสี่ชิ้นนะเป็นเครื่องนุ่งห่ม 6. แล้วก็มีที่เข็มขัดรัดเอวอีกชิ้นหนึ่งที่เรียกว่าประคฏเอวก็เป็นห้าชิ้นชิ้นที่หกก็คือมีดโกนเอาไวป้ปรงผมปรงหน่วยชิ้นที่เจ็ดก็เข็มกลับได้เอาไว้ซ่อมจีวรเวลามันขาด ชิ้นที่แปก็ที่กองน้ําสมัยก่อนไม่เราไม่มีน้ําปะปาไม่มีโรงกรองน้ำํำพระท่านต้องตักน้ําจากในบึงในห้วยในลาธารก็อาจจะมีตัวสัตว์ในหยกน้ําอะไรพวกนี้ก็ต้องใช้ที่กองตักขึ้นมาเพืจะได้น้ําที่ไม่มีสัตว์เข้ามานี่คือสมบัติของคนที่มีความพอแล้ว สมบัติของมาหาเศรษฐีที่แท้จริงเนะี่ยถ้าอยากจะดูว่าใครเป็นมาหาเศรษฐีดูที่สมบัติของเขาถ้ามีมากก็แสดงว่าไม่ใช่เศรษฐีจริงเพราะยังไม่พอถ้ามีน้อยเนะ่มีเท่าที่จำเป็นจริงๆนะถึงเรียกว่าเป็นเศรษฐีเพราะไม่อยากได้อะไรใช่หมเศรษฐีเป็นคนที่มีทุกอย่างแล้วจึงไม่อยากได้อะไรใช่ไหมถ้าอยากได้ก็ยังถือว่าไม่เป็นเศรษฐี เรายังอยากได้นู่นอยากได้นี่แสดงว่ายังไม่ใช่เศรษฐีคนที่เป็นเศรษฐีจริงต้องเป็นคนที่ไม่อยากได้อะไรนะพราะมีทุกอย่างแล้วจะไปเอาอะไรมีบัลลุมมาสุกแล้วจะไปเอาอะไรที่คนเราทุกคนหากันทุกวันนี้ก็หาบัลลุมมาสุกกันแต่ไ่คิดว่าบัลลุมมาสุกอยู่ที่มีบ้านใหญ่ๆมีเครื่องใช้ไม่สอยมีอะไรต่างๆ มีปภาษาสามฤ ด, ดูมีคนรับใช้มีคนอะไรต่างๆอันนี้ไม่ได้เป็นเศรษฐีแท้เศรษฐีแท้นี้ไม่ต้องการจะมีอะไรไม่ต้องมีอะไรคนที่มีความพอ น, ะนั่นแหะเกเศรษฐีคนที่ยังต้องมีสิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่มันไม่ใช่เศรษฐียังเป็นคนอยากยังเป็นคนจนอยู่เหมือนขอทานขอทานก็อยาก ไ, ได้นู่นอยากได้นี่ใช่ไ เศรษฐีมันก็ยังอยากได้นู่นอยากได้นี่อยู่มันต่างกันตรงไหนขอทานก็อยากจะได้เงินได้ทองเศรษฐีก็อยากจะได้เงินได้ทองเพิ่มขึ้นมีร้อยล้านก็อยากจะได้เป็นพันล้านมันก็ต่างกันตรงไหนเศรษฐีกับขอทานมันก็เหมือนกันใช่ถ้ายังมีความอยากอยู่แต่เศรษฐีที่จริงเขาไม่อยากได้นั่นนะเขามีทุกอย่างแล้วเขาไม่ต้องการอะไรนะอันนั้นแนะ่ะคือเศรษฐีจริง พระพุทธเจ้านี่แหละเป็นเศรษฐีจริงพระอานันตรสาวกเนี่ยเป็นเศรษฐีจริงท่านไม่ต้องการอะไรบ้านท่านก็ไม่ต้องการเดีย๋ยท่านอยู่ที่ไหนก็ได้บ้านของท่านเต็มไปหมดอยู่ตรงไหนก็เป็นบ้านของท่านอยู่ป่าไหนก็เป็นบ้านของท่านอยู่ถ้าลูกไหนก็เป็นบ้านของท่านถ้ามีบ้านเยอะแยะไปหมดจะไปอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้อยู่อย่างานนบสบายนอนหลับสบายไม่กลัวจะมีใครมาป้นมาจี้ ไม่ต้องมีรอปรอเป็นเศรษฐีนี่ไปนอนตา ม, ตามป่าตามเขาได้บางไม่ได้หรอกไปทีก็ต้องยกขบวนไปนะต้องเอารอปรอไปคุ้มของเต็มไปหมดเมื่อก่อนก็มีเศรษฐีคนมาบวชอยู่บนเขานะมาบวชอยู่สิบห้าวันเนะียแต่เอารอปรอมาต้องหกเจ็ดคนนะ มีทั้งพระรอพ อ, พอมีทั้งทาหารมีทั้งคนเลื่อนมาเป็นรอพ อ, พ อ, พอกลัวเดี๋ยวจะถูกจับไปเรียกค่าถ่ายไหมเพราะตอนเช้านี่บนเขานี่ตอนเช้ามืด ต, ต, ต, ต, ต้องเดินลงไปที่วัดข้างหน้าไปบินทบาทแล้วก็เดินไปมันก็เป็นทางเปลี่ยว ถ้าเป็นเศรษฐีถ้าก็รู้เป็นเศรษฐีเดี๋ยวมันมันดักจับไปรักค่าถ่ายได้แต่ถ้าเป็นคนธรรมดาอย่างเรานี่สบายเดินมากี่ปีไม่เห็นต้องมีรอรพอพอไม่เห็นมีใครจะมามาลักตัวไปรักค่าถ่ายเพราะลักไปก็ไม่ได้ค่าถ่ายลักไปแล้วต้องไปเรียงเราสิเสียเงินเสียทองเปล่าๆนั่นแหละอ การไม่มีสมบัติเข้าของเงินทองเนี่ยปลอดภัยรู้ไหมมีซมีทรัพย์เยอะนี่อันตรายเพราะมีคนคอยจะจ้องจะลักคอยขโมยจะจี้จะปล้นเอาเอาสมบัติภายในดีกว่าเอาความสุขภายในใจที่เกิดจากการทำใจให้สงบนี้ดีกว่าใจสงบแล้วไม่มีอะไรที่จะมา ดีเท่าความสุขที่เกิดจากความสงบนี้เหนือกว่าความสุขทั้งปวงพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่านัตติสันติปรังสุขขังไม่มีความสุขอนใดในโลกนี้ที่จะดีเท่ากับความสุขที่เกิดจากความสงบมีความสุขนี้แล้วไม่ต้องการความสุขแบบอื่นไม่ต้องการความสุขจากการมีแฟนไม่ต้องการความสุขจากการมีลูก ไม่ต้องการความสุขจากการได้ตำแหน่งได้ยศได้อะไรทั้งนั้นได้เป็นนายพลนายพันได้เป็นอะไรสู้ความสุขที่ได้จากความสงบไม่ได้แล้วก็เป็นความสุขที่ไม่ทำให้ทุกข์กับอะไรด้วยร่างกายจะแก่ก็ไม่ทุกข์ร่างกายจะเจ็บก็ไม่ทุกข์ร่างกายจะตายก็ไม่ทุกข์ไม่ว่าจะเป็นร่างกายของใครก็ตาม ของคนที่เราลักก็ไม่ทุกข์ของคนที่เราไม่ลักก็ไม่ทุกข์ของคนที่เราเกลียดก็ไม่ทุกข์แต่คนที่มีความสุขทางใจแล้วไม่ลักไม่เกลียดใครไม่ลักไม่ชังใครใจเขาเฉยๆเป็นกลางอันนี้แหละเป็นความสุขที่แท้จริงที่พวกเรากำลังหากันอยู่แต่ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนกัน เหมือนกับแว่นตาที่โยมใช้นยะบางทีเผลอไปขี้ไว้ที่ศีรษะแล้วก็เวลาจะใช้ก็ไม่รู้อยู่ที่ไหนเดินหาทั้งบ้านเลยหาอย่างไง้นก็ไม่เจอจนไปเดินไปเจอไปดูกระจกข้าวอา่ะมันอยู่ตรงศีรษะเราเองอันนี้ก็เหมือนกันเราก็ลังหาความสุขกันหาไปทั่วโลกเลยไปท่องเที่ยวที่เมือง น, นั้นเมือง น, นี้คิดว่าความสุขอยู่ตรงน้นกันแต่พอมาเห็นกระจกมาจอส่องกระจก ก, กก็คือธรรมะของพระเจ้าเนี่ยเป็นกระจกพอไปได้ฟังเทศฟังธรรมท่านก็บอกว่าความสุขมันอยู่ในตัวเราแล้วไปหาอะไรที่ไหนอยู่ที่ความสงบเท่านั้นแหละทำใจให้สงบแล้วมันก็มีความสุขแล้วไม่ต้องไปเมืองนอกเมืองนาไปเที่ยวให้เหนื่อยกันไปเที่ยวกลับมาแล้วเป็นยังไงหายไปหมดแล้วสนุกดี๋ยวเดีย ว, ยวกลับมาแล้วก็เหมือนกับไม่ได้ไปเหมือนเดิม เหมือนก่อนไปแล้วเดี๋ยวก็อยากจะไปใหม่ความสุขข้างนอกมันเป็นแบบนี้เป็นความสุขแบบควันไฟได้มาป๊อปแลวเดี๋ยวก็จางหายไปแล้วเดี๋ยวก็ต้องหาใหม่หาใหม่อยู่เรื่อยไปใหม่อยู่เรื่อยมีญายิโมคนหนึ่งมาใส่บาตเป็นประจำเนี่ยปีหนึ่งไปเมืองนอกสองสามครั้ง ไปที่นู่นแล้วก็ไปที่นี่ที่นี่แล้วก็ไปที่นู่นอาถามว่าพอแล้วยังไม่พอยังอยากไปอเพราะมันอยู่เฉยๆแล้วมันไม่สบายใจมันต้องได้ไปได้ออกจากบ้านแล้วรู้สึกเหมือนออกจากกรงอย่างนี้นอยู่บ้านเหมือนถูกขังอยู่ในกรงแต่เวลากลับบ้านก็มันก็หน้าบึ้งตึงกลับมาอีก เขาถึงมีคําพูดว่าเวลาไปเหมือนไก่บินนะเวลากลับมาเหมือนหากินนะเวลาจะไปเที่ยวเนี่โอ้โหดีดีใจกันอย่างเตรียมเนื้อเตรียมตัวกันพอได้ไปเที่ยวพอกลับมาพอจะกลับบ้านโอ้โหซึมเศรา้าแล้วกลับมาเจอของเก่าๆของหน้าเบื่อหน่ายนะเพราใจเราไม่มีความสุขในตัวเรา เราเลยต้องไปหาความสุขข้างนอกใจแต่ความสุขข้างนอกใจมันเป็นความสุขปลอมหาเท่าไหร่มันกลายเป็นความทุกข์มาทิทุกทีไปได้เดี๋ยวเดียวแล้วเดี๋ยวมันหายไปแล้วความทุกข์ก็ปรากฏขึ้นมาความเหงาความว้าเวก็โผล่ขึ้นมาก็ต้องไปหาใหม่เพื่อมาแก้กความเหงาความว้าเวแก้เท่าไหร่ก็ไม่หายสัที ไปเที่ยวข้างนอกมากี่ครั้งพอกลับมาอยู่บ้านก็เหงาเหมือนเดิมเบื่อเหมือนเดิมเซงเหมือนเดิมแต่ถ้าอยู่บ้านแล้วนั่งสมาธิทําใจใสั่งบได้จะหายเบื่อหายเซงและจะไม่ต้องไปไหนสบายเงินก็ไม่ต้องเสียไม่ต้องไปเหนื่อยไปหาเงินหาทองกันเงินหมดก็ไม่เดือดร้อนไม่มีเงินก็ไม่เดือดร้อน ร่างกายอดยาขาดแคลนก็ไม่เดือดร้อนร่นางกายอดตายก็ไม่เดือดร้อนถ้าใจมีความสุขมีความสงบมันจะอยู่ละมันจะรับกับความทุกข์ของร่างกายได้ทุกรูปแบบเลยพระอรหันต์พระพุทธเจ้านี่ท่านเจ็บตายอย่างสบายใจของท่านปรมังสุขขังตลอดเวลาเมือก่เวลาที่ร่างกายไม่เจ็บเวลาร่างกายเจ็บกับเวลาร่างกายไม่เจ็บนี่ไม่ต่างกันใจของท่านสุขเหมือนเดิม อันนี้แหละที่สิ่งที่เราจะได้รับจากการที่เราได้ยินได้ฟังแล้วถ้าเรานำมาไปปฏิบัติได้เราก็จะได้รับผลเช่นกันคือไปทำใจให้สงบ ก, กันวิธี ท, ท, ทาใจให้สงบมันก็ต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องไม้เครื่องมือ อ, ม อ, มอันแรกก็ศีลต้องมีศีลมัน ต, อนตอน้องเริ่มที่ศีลห้าแล้วก็ต้องขยับขึ้นศีลแปดศีลแปดถึงจะ นั่งสมาธิได้เพราะศีลห้ามันจะทําให้เราไม่มี canal, make it make it เวลาศีลห้าน <sh arp inhale> ี่ย ال> ังห้ามไม่ได้ห้ามให้เราไปเที่ยวได้ยังไปเที่ยวได้ยังไปกินได้ไปดื่มได้แต่ถ้าถือศีลแปดละห้ามละไม่ให้ไปเที่ยวไม่ให้ไปกินไปดื่มนอกเวลาเอกินดื่มได้ในเวลาเช่นก่อนเที่ยงนี่กินเข้าไปดื่มเข้าไปเต็มที่แต่พอหลังเที่ยงวันละห้ามกินห้ามดื่มกลางคืนก็ห้ามนอนกับแฟน มานั่งสมาธิกันอย่าไปนอนมานั่งสมาธิกันมาสวดมนต์ไหว้พระกันไม่ให้ดูทีวีไม่ให้ดูหนังไม่ให้ไปเที่ยวร้องนําทาเพลงไม่ให้แต่งเนื้อแต่งตัวให้เสียเวลาไม่ให้นอนมากเกินไปให้นอนพอให้ร่างกายได้พักผ่อนก็พอต้องนอนแบบไม่สบายถ้านอนแบบสบายมันจะนอนมากเกินไป นอนบนฟูกหนาๆ น, นี่มันจะนอนเกินเวลาร่างกายได้พักพอแล้วตื่นขึ้นมามันไม่อยากจะลุกมันก็จะนอนต่อแต่ถ้านอนบนพื้นแข็งๆเน่พอร่างกายได้พักพอแล้วตื่นขึ้นมาก็ไม่อยากจะนอนต่อเพะมันแข็งพื้นมันแข็งไม่สบายตัวลุกขึ้นมานั่งสมาธิดีกว่าขั้นต้นต้องถือศีลแปดให้ได้ถ้าจะนั่งสมาธิ เวลาไปอยู่วัดไปปฏิบัติธํามกันนี้เขาให้ถึงศีลแปดกันแล้วเราจะได้มีเวลามานั่งสมาธิมาเดินจงกรมมาเจริญสติมาควบคุมความคิดขั้นตอนนี้พอมีศีลแล้วขั้นที่สองก็ต้องมีสติคอยเบรกสตินี่เหมือนเบรกรถยนต์ถ้าเราต้องการให้รถหยุดเราก็ต้องมีเบรกอย่างถ้ารถวิ่งลงเขาโดยไม่มีเบรกดูมันจะมันจะหยุดไหม มันก็จะวิ่งทะลุแหกโคงตกเขาไปมันต้องมีเบรกความคิดของเรานี้จะหยุดได้ก็ต้องมีสติถ้ามีสติมันก็จะหยุดความคิดได้ดั้วเราต้องมาติดเบรกให้กับใจด้วยการฝึกพุโทโธพุโทโธไปทั้งวันเลยไม่ใช่เฉพาะเวลาที่เรามานั่งเท่านั้นเองเอาตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาเลยพอลืมตาขึ้นมาจะคิดอะไรวกกับพุโทโธพุโทโธไปเลย ทำอะไรก็พุโทโธพุโทโธไปแล้วพอเวลามานั่งมันก็จะได้นิ่งจะได้สงบมันจะได้ไม่คิดอะไรแล้วมันก็จะได้เจอความสุขที่ทำให้เราพอแล้วเราก็จะรู้ว่า อ, อ๋อความสุขของเราอยู่ตรงนี้เองเราไม่ต้องมีอะไรเลยสบายจะตายไปไม่ต้องมีเงินทองไม่ต้องมีตาแหน่งไม่ต้องมีคนนั้นคนนี้มาเอาอกเอาใจเรา ไม่ต้องมีรูปเสียงกลิ่นลอดให้เราเสดให้เราสัมผัสอยู่เฉยๆทําใจให้สงบไม่คิดอะไรนี่เป็นความสุขที่แสนจะวิเศษกันไม่ต้องเสียเงินเสียทองไม่ต้องไปไหนหาที่ที่สงบแล้วก็ทําใจให้สงบก็พอแล้วอแต่แต่นั้นโลกนี้ใหญ่โตมหาศาลเนะี่ย แต่คนเรากลับหาที่สงบกันไม่ก็ได้นะตามในบ้านในเมืองที่เราอยู่กันนี่ไม่มีไม่มีความสงบกันเลยแปลกนะ ต, นะต้องไปหาวัดไปอยู่ตามปา่าตามเขาไงถึงจะไปเจอที่สงบกันบ้านเมืองเรานี่จเจริญรุ่งเรืองแต่สิ่งที่ขาดก็คือความสงบมีแต่ลูกเสียงกีดลดตลอดเวลาแสงสีเสียงยิ่งในเมืองเนี่ยบางที ไม่มีการหลับไม่มีการนอนเลยเมืองพัทยาเนี่ยทั้งวันทั้งคืนนั่นคืออำนาจของความหลงมันทําให้คนคิดว่าแสงสีเสียงเป็นความสุขกันมันก็เลยเสพติดกันเหมือนยาเสพติดเพาเสพแล้วมันก็หยุดไม่ได้มันต้องมีอยู่เรื่อยเหมือนถ้าไม่ได้เสพก็เหมือนขาดลมหายใจ ต้องมีลูกเสียงกลิ่นล้นให้ดูให้ฟังอะไรอยู่เรื่อยๆมีของให้กินให้ดื่มอยู่เรื่อยๆเราไม่เคยมีความสงบกันคนที่ต้องการหาความสงบยึงอยู่ในบ้านในเมืองไม่ได้ในบ้านในเมืองที่เราคิดว่าเป็นเป็นเมืองสวรรค์กันที่เราพัฒนาสร้างอะไรต่างๆขึ้นมามากมายบ้านช่องราคาราคาแพงๆเนือง คอนโดคอนโดอะไรราคาเป็นล้านนัะ้แต่กลับหาความสงบกันไม่ได้ต้องไปอยู่ป่าอยู่วัดป่าอยู่กระต๊อบราคาไม่กี่ร้อยกี่พันเลยที่มีความสงบเนะี ia, ่ยโมนี้มีมีกระต๊อบเล็กๆแคลอยู่เกือบสิบกว่าล้านนะึกมอ้ย คนมาปฏิบัติอยู่กันแค่มีแค่มีหลังคานิดหน่อยฝาไม่มีมีทางเดินจงกลมแค่นี้พอแล้วที่สร้างที่สร้างคนให้เป็นม้าเศรษฐีเไม่ต้องมีอะไรมากมีกระตอบเล็กๆพระพุทธเจ้าก็มีต้นโพต้นหนึ่งก็พอแล้วประทับใต้โคนต้นโพตปัจจุที่โคนต้นโพ พบกับความพอที่โขนต้นโพหยุดความอยากได้ที่โขนต้นโพแล้นะพวกเราที่ไปพุทธกยากันกลับไปด้วยความอยากกันไม่ได้ไปเพื่อที่จะไปหยุดความอยากอยากจะได้กับาพระพุทธเจ้าอยากจะได้เห็นนูน่นเห็นนี่โดยที่ไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนให้หยุดความอยากกัน ก็เลยไม่เคยเจอความว่าพอทีพอไปถึงพุทธคยาก็อยากจะกลับบ้านนะพออยู่บ้านก็อยากจะไปพุทธคยาเพราะมันไม่ได้ไปหยุดความอยากกันมันไปตามความอยากกันความอยากมันจะพาเราไปแล้วพาเรากลับพอนี้ก็พาเราไปใหม่เปลี่ยนที่ไปเรื่อยๆไปไปมาๆอย่างนี้จนไปไม่ไหวพอไม่ไหวก็อยู่แบบคนแก่ อยู่แบบซึมเศร้าไม่ได้อยู่แบบเบิกบานใจอยู่แบบเศร้าส้อยหงอยงเหงาบางคนทนไม่ไหวก็ฆ่าตัวตายไปก็มีนี่คือผลที่เกิดจากการไปหาความสุขข้างนอกพอเวลาแก่แล้วไม่มีปัญญาไปหา<ม>ก็ทุกข์ก็ว้าวเ ว, วอ เ, ออ เ, เศร้าส้อยหงอยเหงาซึมเศร้า บางทีก็ฆ่าตัวตายกันดังให้เรามาหาความสุขที่แท้จริงนะอยู่ในตัวเรานี่แหละอยู่ที่ความสงบอยู่ที่การรักษาศีลอยู่ที่การเจริญสติพุทโธพุทโธไปทั้งวันอย่าปล่อยให้มันคิดอะไรแล้วก็นั่งให้มักๆนั่งหลับตาพุทโธพุทโธไปทําใจให้นิ่งให้เย็นให้สงบ ใจสงบแล้วก็สบายพอออกจากความสงบมาพอมันอยากจะได้อะไรก็ใช้ปัญญาสอนว่าอย่าไปไปทําตามความอยากเท่ากับปไปหาความทุกข์กันได้อะไรแล้วเดมียวก็ต้องทุกข์เพราะมันเหมียวต้องหมดไปอย่าไปหาอะไรความสุขไม่ได้อยู่ที่สิ่งนั้นสิ่งนี้คนนั้นคนนี้ความสุขอยู่ที่การไม่อยากได้อะไรไม่อยากมีอะไร ถ้าเรามีแค่นี้เราก็จะสามารถที่จะกำจัดความอยากให้หมดไปจากใจได้แล้วเราก็จะอยู่กันอย่างสุขอย่างสบายไม่มีวันสิ้นสุดร่างกายตายไปใจไม่ได้ตายไปกับร่างกายความสุขที่อยู่ที่ใจก็ไม่ได้หมดไปความสุขของพระพุทธเจ้าตอนนี้ก็ยังอยู่กับพระพุทธเจ้าอยู่พระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ตาย สิ่งที่ตายเป็นเพียงร่างกายเป็นคนรับใช้พระพุทธเจ้าพราหมณ์อาหารทั้งหลายก็เหมือนกันใจของท่านก็ยังอยู่ใจของพวกเราก็อยู่แต่พวกเราอยู่ด้วยความอยากแต่ใจของพระพุทธเจ้าใจของพราหมณ์อาหารนี้ท่านอยู่ด้วยความพอท่านจึงต้องทอ่นจึงไม่ต้องมีละมัไม่ต้องมาเกิดไม่ต้องมามีร่างกายพวกเรายังต้องมามีร่างกา ย, ยเรื่อยเพราะยังไม่พอพอร่างกายนี้ตายไปก็ มาหาร่างกายอันใหม่มาเกิดใหม่เพื่อจะได้ใช้ร่างกายพาเราไปเที่ยวที่นั่นที่นี่ต่อไปกินต่อไปดื่มต่อไปดูต่อไปฟังต่อถ้าไม่หยุดมันก็จะไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆและเวลาแก่เจ็บตายก็ทุกข์กันเวลาพัดภาคจากกันก็ร้องห่มร้องไห้กันนี่คือทางที่พวกเรากำลังเดินอยู่เราต้องมาเปลี่ยนทางกัน มาถือสีลแปดกันนะมาเจริญสติมาพุโทโธพุโทโธกันมานั่งสมาธิกันแล้วก็มาฟังเทศฟังธรรมเพื่อเราจะได้รู้ว่าความอยากนี้การทำตามความอยากนี้เป็นการสร้างความทุกข์ไม่ใช่เป็นการสร้างความสุขเป็นการสร้างการเกิดแก่เจ็บตายทุกครั้งที่เกิดก็ต้องมีแก่มีเจ็บมีตายทุกครั้งที่แก่ที่เจ็บที่ตายก็ต้องทุกข์กัน ถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ต้องไม่มาเกิดเท่านั้นทุกข์ย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่เกิดเท่านั้นถ้ายังมีการเกิดอยู่ก็ยังต้องมีความทุกข์อยู่พราะพุทธเจ้าพระสาวกนี้ท่านไม่มีความทุกข์แล้วเพราะท่านไม่มาเกิดแล้วท่านมีแต่ปรมังสุขถังบรมมสุขยังขอให้เราเอาสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปปฏิบัติต่ตอถ้าฟังแล้วเข้าหูซ้ายออกหูขวาก็เดี๋ยวก็ลืมไปหมด แล้วไม่เอาไปปฏิบัติก็จะไม่ได้อะไรถ้าไม่ปฏิบัติก็ไม่ได้ผลถ้าอยากจะได้ผลต้องปฏิบัติก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะอนุโมทนาให้พร <c oughs> <c oughs> ยะทาวเรวะหาปุราปาริปุรเรนติสาคลางังเอวเมวะอิตตทินงังเปตานังอุปกัรปติ อิจิตังปะทิตังตุมหังคิปะเมวะสนิจจโทสัพเพปุเรนโตสังกปาจันโทปนะราโสยะธามณิโตติระโสยะธาสัพพิติโยวิวัจันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภาวะตวันตารโยสุขีทีขายุโกภะวะ อาพิวาทนานัสสีริตะนิจังวุฒาปจายโนจตาโรโธรรมาวะทานติอายุวโนสุขังภาลังใครยังไม่ได้หนังสือซีดีก็หยิบไปได้นะแล้วใครอยากจะถวายข้าวของก็เข้ามาถวายได้ใครอยากจะถ่ายรูป ก, ก็ถ่ายได้ ถ่ายในขณะที่ถวายเข้าของเอาตากล้องมาเอาไปเลยทาการรู้คนที่ทำงานที่กทมชื่อชื่อหน่องใช่ไหม เขาก็ยังมาอยู่นะมาอยู่เรื่อยๆเห้ให้เขามาฟังเทศฟังธรรมมาใส่บาตรอะไรก็อยู่ออแต่ไม่ค่อยได้คุยกันเดี๋ยวนี้ท่านอาจารย์มีมหนังสือทำกำลังใจแ่้วหละมีแต่จากข้างล่างกำลังใจมันหนังสือสำหรับคนทําบุญอมันไม่เนี่ยเอข้างบนนี่สําหรับพวกปฏิบัติก็จะเป็นธรรมที่สอนเกี่ยวกับการปฏิบัติ ก็ลแยกกันแต่ทำพวกหนังสือพวกนี้ก็แจกข้างล่างด้วยแต่กำลังใจไม่ได้แจกข้างบนก็สวยงามเลยก็มีคนก็ทำให้เราไม่ได้ทำเองเ ล, ลูกศิษย์ลูกหาก็มีศรัทธาผิดเป็นมาให้แจกคือฟังครามาของท่านอา จ, จารย์แล้วก็ คือมันก็อยากจะทําให้ได้อย่างที่ท่านสอนนะคะแต่บางทีมันเหมว่าไม่มีกําลังใชีวิตเรามันก็ยังต้องพึ่งพาฟันฝ่าอะไรไม่ได้ตัดมันไม่ได้ไม่ตัดไม่ได้อาจจะว่าใจเรายังอ่อนอย่ยังละไม่ได้ทุกอย่างที่เราต้องการไม่มีกําลังเลยค่ะมันยังไม่มีกำลังไม่มีกำลังยืนบนนําแข้งลาขาของตัวเองต้องพึ่งสิ่งนั้นสิ่งนี้พึ่งคนนั้นพึ่งคนนี้อะไร ปฏิบัติไม่ได้อยู่คนเดียวไม่ได้ต้องพยายามที่จะทาอยูอ่ก็ไม่ว่าแล้วนี่ไม่ได้บังคับให้ทำหรอกบอกให้รู้ท่านนั่นเองทําได้ก็ดีทําไม่ได้ก็ช่วยไม่ได้หลวงพี่ท่านเป็นยังไงท่านทพ่งบวชเหรอท่านอุตส่ามาแต่เช้าเลย ก็ทาให้ไม่ไปเรือกก่อนเวลาจะไปบวชมนโรงเรียนมามหาหลัยเวลาจะเข้ามาหาหลัยเราก็ต้องไปดูก่อนว่าจะเอาอันไหนวัดก็เหมือนกับสถ า, านที่ศึกษานี่แหละก็มีหลายมาตรฐานเพราะสมัยนี้มันมีความคิดแตกต่างกันไปเลยทำให้วัดแต่ละวัดไม่เหมือนกัน แล้วก็ะะจะมีกำหนดบวชนานไหมั้ยจริงวก็ต้องเจบวเดอนออเดือนแต่ตอนนี้เหลือที่เดียวเหลือทย์เดียวแลอยู่ยิ่งนานจรงไหนตรงนี้ อ, อ, อ, อ่ออืนผาหน้ามืดที่มีแคือสด กิลก็มาทิ้งไว้ที่วัดเสญญก็อย่างนี้แหละเหมือนกาเอาหมาหมามาทิ้งไว้ที่วัดเน่มาก้ก็ล้วอ่าอันไหที่ของไม่ชอบก็โยนใส่ยกให้วัดไปหมดนะลูกไม่ดีก็โยนให้วัดไปลูกดีก็เก็บไว้ที่บ้านเลดีเดี๋ยวต้องพาพา่ออ่าได้ไไม่ไม่เป็นไรนะได้เดี๋ยวให้พาท่านขึ้นมา ขึ้นมาทางนี้เลยขึ้นมาทางนี้าไม่เครับอ่าไม่เป็นไรผ้าใหม่อาจจะกาบไม่ใช่หรื <c oughs> อครับ <c oughs> กาบจะได้ไป <c oughs> ให้มากาบไม่ให้มานั่ง <c oughs> <c oughs> พยายามรักษาศีล เ, เราศึกษาธรรมะของเราไปส่วนคนอนื่นก็จะทำํำเราเราอย่าไปสนใจนะครับนะรักษาศีลสมาธิปัญญาของเราไป ค, คนอนื่นเขาจะทําให้ทําก็เรื่องของเขาครับรู้ใช่ไหมว่าศีลของพระมีอะไ ร, รบา้รบางหน้าที่ของพระมีอะไรไหวพระสวดมนต์ บ, บิณฑบาตอะไรก็ทําไปเราหมดแล้วนะ อ่าเชิญอ่าว่ายังไงอ่าที่ป่าไม้เหรอมาฮ ะ, อะสองคน อ, อยู่อ่าน้าเชิญ ใครมีคำถามอะไรก็ถามได้นะถ้าฟังเรายัางไม่เข้าใจเียว่าอยากจะให้ชี้แจงบางเรื่องบางอย่างตอนนี้เวลาที่เรามาต้องช่วยกันบอกญาติโยมหน่อยนะว่าต้องปิดโทรศัพท์มือถือกันนะเพราะทางบ้านเขาเบ่นมาว่าเสียงรบกวนประกาศให้เขาทราบว่าสัญญาณนึ่สองันชนกันนี่ก็ใช้สัญญาณวิทยุ ไมโครโฟนเนี่ยลาโพงแล้วสัญญาณโทรศัพท์บางทีมันมาชนกันทำให้เสียงมันพลาไปเสียงมันหายไปก็เลยต้องปิดมือถือแล้วบางทีคนก็เสียงโทรเข้ามากำลังฟังเทศฟังธรรมก็สะดุ้งอยู่เลย คนที่เขาไม่สบายที่อย่างเป็นอมพาสเป็นอะไรที่เส้นเลือดมันตีบมันตันอะไรเงี้ยแล้วทําให้เขาไม่รู้ตัวนอนไม่รู้ตัวอย่างเงี้ยแต่จิตเขาเนี่ก็ยังรับรู้อะไรรู้เหมือนเดิมรู้เหมือนเดิมเพียงแต่ว่าเขาไม่สามารถจะใช้ร่างกายเป็นสื่อที่จะตอบโต้กับเราได้ <c oughs> เรารู้เราด่าเขาเขาก็รู้แต่เขาด่ากลับไม่ได้เงี้ยน่าใจไหม เพราะว่าร่างกายมันไม่ไม่ตอบรับคำสั่งของจิตนะเพราะมันบกพร่องมันเสียเหมือนรถยนต์เนี่ยคนขับกับรถยนต์นคนละส่วนกันรถเสียคนขับไม่ได้เสียแต่คนขับไม่สามารถสั่งให้รถวิ่งไปไหนมาไหนได้ก็ต้องจอดอยู่เฉยจิตเป็นเหมือนคนขับไงส่วนร่างกายเป็นเหมือนรถถ้าตาบอด ก, ก็มองไม่เห็น แต่ใจยังรู้อยู่ยังรู้เสียงได้ใช่ไหมถ้าถ้าหูหนวกก็รับเสียงไม่ได้แต่ใจก็ยังรู้อยู่ใจไม่ได้เป็นอะไรไปกับร่างกายยิงแต่ว่าไม่สามารถใช้ร่างกายรับสื่อต่างๆเข้ามาได้คุจันย่างเรื่องเรื่องความอยากที่เมื่อกี้ท่านเทศน์ แต่ทีนี้ถ้าเราคือเรายังตัดไม่ได้อย่างที่ท่านอาจารย์พูดนะแต่ว่าเราเอาให้ความอยากเป็นในทางที่มันเป็นบุญกุศลทําทําในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์คือยังไงชีวิตของเรามันก็ต้องดําเนินต่อไปแต่ถ้าเราเราอยู่กับความสงบเนี่ยบางทีมันมันกับจิตมันยังไม่มีพลังที่จะอยู่ยงนั้นได้ตลอดนีมันก็ต้องมีมมต้องมีอะไรเป็นเครื่องอยู่อะฮะเราเอ า, เอา ความอยากหรือคิดในสิ่งที่มันเป็นก็เหมือนคนเหมนคนติดยาเสพติดอ่ะมันก็อยัางอยู่ดีๆมันก็เลิกไม่ได้มันก็ต้องเสพไปก่อนแต่เสพแล้วเวลามันไม่ได้เสพมันก็จะทุกข์ต่อไปร่างกายมันแก่ลงไปแก่ลงไปมันอยากจะเที่ยวมันไม่ได้เที่ยวมันก็จะทุกข์อะตอนนี้เที่ยวได้ก็เที่ยวไป่เดี๋ยวเมันทุกวันมันก็จะเที่ยวไม่ได้อะ อันนั้นก็อยู่บ้างก็จะซึมเศร้าเป็นโรคซึมเศร้ากันเนี่ยเพราะจิตไม่สามารถหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นลดได้เพราะร่างกายไม่สามารถพาไปไหนมาไหนได้ดังั้นรีบมาทําใจให้สงบดีกว่าอย่ามาอ้างอะไรเลยเอเอถ้ายิ่งไปทางทางนู้นมันก็ยิ่งติดอยู่นั่นอนะ่ะจะ มีทางเดียวต้องเลิกต้องฝืนมันลดมันตอนต้นกก็ลดมันให้มันน้อยหน่อยใครไปเที่ยวปีละสองครั้งก็แค่ครั้งเดียวีเท <c oughs> ่ต่อไปก็เอาสักสองปีสักครั้งหนึ่งต่อไปก็สามปีสักครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยให้มันลดปริมาณลงไปก่อนแล้วทํก็น้อยลงไปเรื่อยๆลดไปทีละครึ่งทีละครึ่งเดี๋ยวมันก็หมดเองท่านอาจารย์อย่างคนที่เขาเป็นหมอหรือเป็นอาจารย์อะไรเนี่ยเขาก็ยังมีความรู้สึกว่า ถ้าเขายัางแข็งแรงเขาก็ยังมียังอยากจะทําประโยชน์ให้กับสังคมไปช่วยสอนไปช่วยตรวจคนไข้หรืออะไรนี้ค่ะเรื่องนี้มันก็ทําให้ชีวิตเขามันก็เหมือนมีค่าขึ้นอย่างนี้มันมันจะไม่ดีเหรอเจ้ค่มันเป็นค่าที่มันได้วกว่าค่าที่เราจะได้จากการปฏิบัติอย่านี่เป็นเหมือนอไก่ไก่ได้พลอยนะกับมันไม่ชอบใช่ไหมไก่เวลามันคุยเขียนปันหาอะไรนะ ตัวนอนตัวไส้เดือนกินใช่ไหมพอมันเจอเพชรเจอพลมันก็เขียเข่ยทิ้งเขี่ยทิ้งนะเพราะมันไม่รู้คุณค่าของเพชรพลอยว่ามีค่ามากกว่าไส้เดือนที่มันหากินอยู่มันก็คิดว่ามีไส้เดือนยิ่งเยอะเท่าไหร่มันก็มีคุณนก็เป็นเศรษฐีมากขึ้นไปคนที่ทํางานทางโลกก็คิดว่าด้วยยิ่งทําก็ยิ่งมีมีคุณค่ามันได้ทํานู่ทนทํานี้แต่ไม่รู้ว่าคุณค่าที่ได้จากการปฏิบัติธรรมนี่มันเป็นเพชรเป็นพล เราทั้งนี้เพวกเราเป็นเมือพวกไก่ได้พลอยรู้จักคุณค่าของการทําประโยชน์ทางโลกแต่ไม่เห็นคุณค่าประโยชน์จากการปฏิบัติธรรมเพราะเรายังไม่เคยสัมผัสรถแห่งธรรมกันเราก็เลยไม่เห็นคุณค่าเพราะกว่าจะได้ถึงรถแห่งธรรมนี่มันต้องเหนื่ออ่ามันต้องเหงื่อออกแทบตายกว่าจะได้มันต้องเหนื่อยมันจึงมันจึงไม่อยากจะไปทางนี้กันพรากว่าจะได้เพชรแต่ละเม็ดนี่โอ้โหมันต้องขุดเข้าไปลึก ขุดก็ไปในดินนุ่เหนื่อยกว่าจะได้แล้วเวลาขุดก็ไม่รู้มีหรือเปล่าเก็ยิ่งทำให้ท้อแท้ใจเลยไม่อยากจะขุดกันเนี่ยการปฏิบัติธรรมถ้ายังไม่ได้เห็นผลเนี่ยมันรู้สึกมันท้อแท้มันเหนื่อยมันเบือ่อแต่ถ้ามันปฏิบัติแล้วเห็นผลปั๊บเนี่ยมันจะติดใจมันจะหายเหนื่อยแล้วมันจะทําให้มากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อย ตอนนี้เรายังไม่ได้ผลเราต้องเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อพระสด็จองก่อนเราไปทางนี้สูงแล้วล่ะทําไปเถอะออขุดในเข้าไปเถอะในดินนั่นแ่ะเพชรเม็ดใหญ่รอเราอยู่แล้วตอนนี้มีแต่หินมีแต่ดินมีแต่หินมีแต่กรวดมีแต่ทรายไม่ต้องกังวลขุดไปเรื่อยๆ เ, เดี๋ยวต้องเจอเพชรเม็ดนั้นน่ะฮพอเจอแล้วมันก็หายเหนื่อย แต่ตอนนี้เราปฏิบัติกันไปอยู่วัดแค่สองอาทิตย์กลับมาก็หอบละโมยเหนื่อยไม่ได้อะไรเลยออแต่พอไปเที่ยวนี่โอ้มันสนุกมันมีความสุขมันตื่นเต้นมันเล่าใจออมันสู้ไปเที่ยวไม่ได้หรือไปทําประโยชน์ทางโลกที่เราทําได้เราชอบไปช่วยเหลือใครก็ไปทําก็ทําได้อนั้นแต่มันประโยชน์มันน้อยกว่าประโยชน์ทางจิตใจ อาจารย์คะแล้วจิตของคนที่เป็นอัลไซเมอร์ซึ่งร่างกายเขาก็ดูปกติแต่ว่าความสมองเขามีความเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยอาั้นจิตก็เป็นจิตเหมือนเดิมไม่เกี่ยวกันนะมันเรื่องของร่างกายทั้งหมดเนะีก็เหมือนรถยนต์นะ่ะรถยนต์ที่มันบางทาีไฟเสียไปข้างหนึ่งมันก็เหมือนตาบอดเนะี่ยบางทีที่ปั่นน้าฝนมันเสียไปข้างหนึ่ง คนขับมันก็เหมือนเดิมนี่มันขับลําบากหน่อยเวลาฝนตกถ้าที่ปั่นน้าฝนมันเสียมันใช้งานไม่ได้มันก็มองไม่ก็เห็นอะไรก็เหมือนสมองทํางานไม่เต็มที่จะทําอะไรมันก็ทําไม่ได้ยังเต็มที่สมองเสื่อมมันลืมจําไม่ได้อะไรเงี้ยมันก็แต่คนจิตมันมันมันรู้แต่มันไม่สามารถใช้สมองเพื่อให้จําว่าเมื่อวานนี้ทําอะไรกินอะไร มันก็เป็นเรื่องของสมองถ้ารักษาสมองให้กลับมาเป็นปกติถ้าต่อไปมีการเปลี่ยนสมองได้เอาสมองเด็กมาใส่มันก็กลายมันก็จะหายจากโรคอาาัลไซเมอร์ได้จิต ก, ก็เหมือนเดิมก็เหมือนคนขับรถเนี่ยรถเสียถ้าเปลี่ยนอะไรเอาอะไรมาเปลี่ยนใหม่ได้รถมันก็วิ่งได้เหมือนเดิมงนั้นจิตไม่ได้มีอะไรส่วนอะไรไปกับร่างกายเลย ร่างกายมันจะเรืงเสือมมันเป็นก็เรื่องของร่างกายมันเป็นคนสองคนเน่ะจิตเป็นคนหนึง่งร่างกายเป็นคนหนึง่งจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวเนี่ยจิตต้องอาศัยร่างกายสั่งให้เป็นผู้รับใช้เนี่ยจะมาที่นี่ได้จิตต้องสั่งว่าวันนี้จะมาที่นี่แล้วก็สั่งให้มันมามันก็มันก็พาเรามาถ้าจิตไม่สั่งมันก็ไม่มา นั่นมันไม่เกี่ยวกับเรื่องของจิตปัญหาของจิตมันอยู่ที่ความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆที่ทําให้จิตทุกข์เรือ่องเท่านั้นเองส่วนปัญหาของร่างกายนี้มันก็เป็นเรื่องของร่างกายแล้วมันก็ไปทําให้จิตทุกข์เพราะว่าพออยากจะใช้ร่างกายมันใช้ไม่ได้มันก็ทุกข์ขึ้นมาแต่ถ้าจิตไม่มีความอยากมันก็จะไม่ทุกข์กับร่างกาย ร่างกายจะแกะ่จะเจ็บจะตายมันก็จะไม่ทุกเพราะมันไม่ต้องใช้ร่างกายเหมือนกับเราไม่ต้องใช้คนใช้เราเราช่วยตัวเองได้เราทําอะไรในบ้านได้ทุกอย่างคนใช้จะลากลับบ้านหรือไม่กลับบ้านเราก็ไม่เดือดร้อนแต่ถ้าเราต้องอาศัยเขาทํานูน่นทํานี่ให้เราพอเขาจะกลับบ้านไปแต่แต่ละครั้งนี้ก็ทําให้เราเดือดร้อนขึ้นมาพระญาติังสอนให้เราหันมาพึ่งตัวเอง อย่าไปหาความสุขผ่านทางร่างกายเพราเวลาร่างกายเสียร่างกายไม่สามารถทาตามที่เราต้องการได้เราก็จะทุกข์แต่ถ้าเรามีความสุขในตัวเราเองได้ด้วยการนั่งสมาธิทำใจให้สงบได้เราก็ไม่ต้องใช้ร่างกายร่างกายจะแก่จะเป็นเอลไซเมอร์หรือเป็นอะไรมันก็ไม่ได้ทำให้จิตใจเดือดร้อนแต่อย่างใด จิตใจไม่ต้องใช้ร่างกายเหมือนคนที่ไม่ต้องใช้รถยนต์ก็ไม่เดือดร้อนกับรถยนต์แต่คนที่ต้องใช้รถยนต์นี้จะเดือดร้อนเวลารถยนต์เสียต้องไปซ่อมใครอยากจะถามอะไรไม ไม่มีเดี๋ยวจะให้ทางบ้านถามนะวันนี้เข้ามากี่คนนะเฟซบุ๊กเข้ามาตอนนี้สามร้อยสิบสามคนครับอี่สิบสองฮะนี่มีถ่ายทอดสดไปทั่วโลกเลยตอนนี้ใครอยู่เฟซมีเฟบุ๊กอยู่ที่ไหนประเทศไหนก็เปิดดูได้มีญาติโยมอยู่ต่างประเทศหลายคนติดตามสวิตเซอร์แลนด์นอร์เวย์ เนวีแซเลนญี่ปุ่นมีเกือบทุกประเทศแล้วมั้งมกีมีรายงานว่ายเยอรมันเยอรมันกลับมาน ะ, ะถามจากคุณเปิ้ลเวลานั่งสมาธิไปจนลืมลมเวลานั่งสมาธิไปจนลมหมด เริ่มหายใจไม่ออกเหมือนจะขาดใจแต่พยายามดูอยู่อย่างนั้นจนเพื่อสุดท้ายมันต้องหายใจมันทนไม่ไหวเคยฟังหลวงตามหาบัวบอกว่าให้ยอมตายใจก็บอกว่ายอมตายแต่คำว่ายอมตายต้องวางจิตอย่างไรครับเพราะเอาเข้าจีนมันคนไม่ไหวเลยหายใจเกิดใจเราไม่ต้องไปกัน้นเหมือนไม่ต้องไปบังคับเหมือน มันจะหายใจเบาก็ปล่อยมันเบาไปให้รู้เฉยๆเหมือนเราเป็นหมอดูคนไข้ดูคนไข้าหายใจไปคนไข้จะหายใจแรงหายใจเบาก็เรื่องของคนไข้เขาคนไข้จะหยุดหายใจก็ปล่อยก็หยุดหายใจไปร่างกายนี้เป็นเหมือนคนไข้ใจนี้เป็นเหมือนหมอหรือนพยาบาลเนี่ยก็ดูไปในเวลาดูลมก็ดูเฉยๆอย่าไปควบคุมบังคับลม S 1> <S 1> ให้ควบคุมบังคับใจไม่ให้ไปที่อื่นให้อยู่ที่ลงไม่ให้คิดไม่ให้ไปบังคับไม่ให้ทําอะไรให้ดูเฉยเฉยมันจะหมดมันจะหายใจเฮือกสุดท้ายก็ปล่อยไปเราอย่าไปคิดว่ามันจะหายใจเฮือกสุดท้ายเราไม่รู้ว่ามันจะเฮือกสุดท้ายหรือไม่เราไปคิดเองแล้วก็เลยไปทําไปกั้นมันขึ้นมาเองไปเกง่งมันขึ้นมาดังนั้นเราอย่าไปเกง่งอย่าไปทําอะไรให้ดูเฉยเฉย ดูลมว่ามันหยาบหรือละเอียดนะมันเบาหรือไม่เบามันหมดไปหรือไม่หมดก็ดูไปเท่านั้นเองแล้วถ้ามันหมดเดี๋ยวจิตก็ลวมเข้าสู่ความสงบเข้าไปเองมันปล่อยมันปล่อยลมลมก็เลยหายไปให้รู้เฉยๆสักแต่ว่ารู้คำถามแรกจากจากใน facebook นะครับจากคุณเจมครับถ้าเราไม่ใช่จิตแล้วเราเป็นอะไรครับใครบอกว่าเราไม่ใช่จิต เรามันออกมาจากจิตใจิตเป็นตัวสร้างเราขึ้นมาสร้างด้วยความคิดพอเราจิตสงบปั๊บเราก็หายไปเหลือแต่ตัวจิตตัวรู้ท่านั้นเองแต่พอเราออกจากความสงบมันคิดมันก็คิดถึงเราขึ้นมาทันทีคิดถึงร่างกายปั๊บก็คิดถึงชื่อของร่างกายนี้ชื่อแดงชื่อดำชื่อเขียวก็ว่าไปตัวเราของเรามันเป็นความคิดของจิต พอจิตหยุดคิดทุกอย่างก็หายไปหมดเหลือแต่ตัวรู้ตัวจิตตัวเดียวตัวจิตนี้ไม่มีหายไม่มีตายไม่มีหมดแต่ตัวเรานี่มันเกิดดับเกิดดับพอเราคิดมันก็เกิดขึ้นมาพอเราหยุดคิดมันก็ดับไปแต่เราไม่เคยหยุดคิดมันก็เลยเหมือนกับมันไม่ดับทันทีใช่ไหมถ้าเราไม่คิดมันจะมีเราได้ไงตัวเรามันมาจากที่ไหนเราคิดขึ้นมาเองไง ความจริงเราคิดเนี่ยมันเป็นความคิดคิดว่าเป็นเราเราก็เลยคิดว่าเราคิดพวมจริงเราไม่ได้คิดอมันเป็นความคิดคิดว่าเราคิดเออเข้าใจไหมมันหลอกมันหลอกกันแบบเป็นชั้นๆไปเลยจนงงไม่รู้วม่รู้ใครเป็นใครกันแน่เป็นรู้ใครเป็นเราเราเป็นใครเราไม่มีถ้าเราหยุดคิดเราก็หายไปถ้าเราไปเปิดชาติหน้าชื่อแดงก็หายไปแล้วชื่อเขียวก็หายไปแล้ว ไม่ได้ชื่อใหม่ขึ้นมาแล้วชาติก่อนเราชื่ออะไรจําได้ปะจําไม่ได้แล้วเพราะเราไม่ได้คิดถึงมันนะใช่ไหมเราได้ชาติได้ได้ร่างกายใหม่พ่อแม่ตั้งชื่อใหม่เราก็เลยเอาคิดว่าเตาชื่อนี้ไปละเปลี่ยนไปเรื่อยๆเดี๋ยวร่างกายนี้ตายไปไปเกิดใหม่ไปเกิด เ, เป็นฝรั่งเลียวก็ไปเป็นเจนเป็นเป็นแมรี่ขึ้นมาเลยใช่ไหมไอ้จิมัก็คิดไปตามที่เขาสอในให้คิดเนี่ย ชื่อเราแดงไม่ใครบอกฮะใครบอกว่าแดงอ่ะพ่อแม่ใช่ไหมแดงแดงแดงแล้วก็จําได้แล้วก็เรียกเราแดงไว้ะต่อไปนี้ใครเรียกเราต้องเรียกว่าแดงถึงก็แ่านั้นอ่ะมันเป็นเรื่องของความคิดเท่านั้นคิดแล้วก็จําใช่ไหมแต่ต่อไปก็ลืมเวลาแก่ลืมจําไม่ได้เรียกเรียกแดงไม่รู้เรียกก็เรียกใครวะเข้าใจยัง <c oughs> <c oughs> เราไม่มีเรามันออกมาจากจิตออกมาจากความคิดของจิตเองคิดว่าเราเป็นนั่นเป็นนี่กันถ้าเราอยากจะรู้ว่าเราไม่มีเราลองนั่งสมาธิทำจิตให้รวมพอจิตสงบความคิดหายไปค ว, ยความจำหยุดความจาหายไปหยุดไปชัว่วคราวมันก็จะเหลือแต่ตัวรู้เฉยๆถาต่อไปจะคุณวันนานะครับ อยากถามท่านเกี่ยวกับการตื่นก็รู้หลักก็รู้ค่ะว่ามันใช่ไหมครับหรือว่าไม่ใช่ค่ะขอท่านช่วยอธิบายค่ะคือจิตมันรู้ทั้งหลับทั้งตื่นนงแต่ว่าถ้าเราไม่มีสติเราก็ไม่รู้แคเวลาเราหลับเราไม่รู้ว่าเรารู้นะแต่เราฝันได้ใช่ตอนเราเร า, เรารู้ฝันหรืเปล่าเวลาเราฝันรู้ใช่ไหมก็ตัวรู้เนี่ยที่ไปรู้ความฝันให้ความฝันก็คือความคิดอีกแล้ว มันคิดไปมันก็มันตัวรู้มันก็รู้ว่ากําลังกําลังฝันถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้พอตื่นขึ้นมาปั๊บมันก็มาเข้ามาร่างกายความฝันก็หายไปลืมเลยปั๊บเดียวอยากจะว่าเมื่อกี้ฝันอะไรลืมไปหมดแล้ะพอมันกลับมารู้เรื่องใหม่แล้วมันรู้เรื่องร่างกายแทนมาคิดเรื่องร่างกายแทนแต่ตัวรู้มันก็รู้อยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะหลับจะตื่นมันรู้เพียงแต่มันจะมันจะ รู้หรือไม่ก็อยู่ที่ตัวสติถ้าเวลาเราไม่มีสติเราก็เหมือนกับหมดสติคนหมดสติก็ไม่รู้อะไรแต่ตัวรู้มันรู้แต่มันไม่มันไม่สามารถที่จะตื่นเหมือนกับไม่เหมือนกับหลับอย่างเงี้ยมันมารู問題問題้จารที่บายเลยนไม่มีสติม so? ัน <fact> ก็เหมือนกับว่าไม่รับรู้แต่ความจริงตัวรู้ยังอยู่แต่มันไม่รับรู้มันไม่รับรู้เรื่องราวต่างๆ ทางตาหูจมูกเล่นกายมันไม่รับรู้แล้วเพราะเวลามันดับเนี่ยแต่มันไปรับรู้เรื่องความคิดต่อเวลาฝันเนี่ยใช่ไหมพอตื่นขึ้นมาเรื่องความฝันมันก็หายไปมันก็มารับรู้เรื่องตาหูจมูกเล่นกายต่างมันพอตื่นมันก็มีสติขึ้นมาพอมีสติมันก็มารับรู้ทางตาหูจมูกเล่นกายแต่สติของเรามันก็ไม่ไม่ไม่ต่อเนื่ยบางทีเดี๋ยวก็เผลอบางทีทําอะไรก็ยังไม่รู้ว่าตัวเองทําอะไรเลย บางทีทําเสร็จยังฐานตัวเองไว้เมื่อกี้ทาไปแล้วหรือยังถ้าไม่มีสติคอยคอยเฝ้าดูอยู่มันมันมันบางทีไม่รู้ว่ามันทําอะไรมันกําลังทําไม้นี่อยู่แต่มันไปคิดถึงเรื่องนู่นแทนพอทําไม้นี่เสร็จแล้วมันก็งงไหมเมื่อกี้ทําหรือเปล่าบางทีปิดประตูบ้านแล้วยังไม่แน่ใจใส่กุญแจเปล่าเพอตอนใส่กุญแจไม่ได้คิดถึงตอนที่ใส่กุญแจมัวแต่ไปคิดเรื่องอื่นแทน อเดินออกจากบ้านไปไม่กี่ก้าว เ, เมื่อกี้สายกุญแจกระเป๋าต้องเดินกลับไปดูสแสดงว่าไม่มีสติเถ้ามีสติมันจะรู้ว่าออทําแล้วเรียบร้อยแล้วในสติของเรามันมันมันไม่มีมันเจะทําให้ใจมันลอยไปลอยมาไปคิดเรื่องอื่นแทนที่ควรจะคิดกับเรื่องที่กําลังเกิดขึ้นในปัจจุบันมันไปคิดเรื่องอดีตบ้างคิดเรื่องอนาคตบ้าง มันก็เลยไม่รับรู้เรื่องปัจจุบันเลยคำถามต่อไปจากคุณกันครับการสวดมนต์แปลที่เป็นคำนองเพลงผิดหรือไม่ครับเช่นบทธรรมจักกับปากวัฒนสูตรซึ่งยาวและจำยากวิธีนี้ช่วยให้จำบทได้ติดปากหรือถ้าจำได้แล้วควรสวดมนต์เป็นเสียงอ่านปกติครับขอเมตตาแนะนำวิธีที่ถูกที่ควรค่ะ ือการสวดมนต์หรือการสวดคาแปลนี่มันก็เป็นการอุบายของการที่ให้เราหยุดความคิดต่างๆแทนที่เราจะไปคิดหาเงินหาทองคิดหาสิ่งนั้นสิ่งนี้พอเราสวดมนต์มันก็จะทำให้เราลืมเรื่องต่างๆไปถ้าสวดภาษาบาลีเราก็จะไม่เข้าใจความหมายถ้าเราสวดคำแปลเราก็จะเข้าใจความหมาย เป้าหมายของการสวดคําแปลหรืออ่านคําแปลก็เหมือนก็เพื่อให้เรารู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรนั่นเองข้อบทสวดมนต์ในส่วนใหญ่ก็เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าดงนั้นจะจะอ่านแบบต้องเพลงหรือไม่ร้องเพลงนี่มันไม่สําคัญเวลาเราไปโรงเรียนนงเรียนหนังสือที่โรงเรียนอาจารย์ก็สอนให้เราร้องเพลงไปกับหนังสือที่เราอ่านหรือเปล่ามันไม่ต้องหใช่ไหมทาไมไปร้องมันทําไม เรีนนังสือกอไก่ขอขายต้องร้องห่ากอเอ้ยกอไก่ขอ ข, ข, อข่มันมันไม่จําเป็นแต่จะไปร้องกันเรื่องของเรื่องของอมันก็เรื่องของคนเนี่ยคนบางคนมันมันกิเลสมันแรงพูดง่ายๆมันชอบร้องเพลงมันก็เลยเอาเอาข้ออ้างมาเอาร้องเพลงแล้วมันจะจําได้ง่าย ถ้าคนที่เรียนมาหาลัยเรียนโรงเรียนต่างๆเขาไม่ต้องร้องเพลงหรือเขาถึงจะจําได้ใช่ไหมเราเรียนเพื่อรู้ไม่ใช่หรือใชไหเรียนเพื่อจําก็ท่องจําไปเสียอ่านบ่อยๆแล้วมันเดี๋ยวมันก็จําได้เองดังนั้นอ่านพระสูตรเรื่ออะไรนี่ที่ไม่ให้ร้องเพลงก็เพราะเดี๋ยวมันจะกลายเป็นกิเลสไปเร ก, กระจาย่ากิเลสมันชอบร้องนําทําเพลง การปฏิบัติทางนี้ไม่ให้ติดอยู่กับบันเทิงสวดก็เพื่อให้มีสติให้ใจสงบอ่านเพื่อให้เข้าใจความหมายจะได้เกิดปัญญาในเรื่องที่จะทำเอามาเป็นทำนองเพื่อให้จำได้ น, นี่มันเป็นเป็นเหตุผลของกิเลสมากกว่าเหตุนั้นคนที่เรียนมาหาลาัยเขาก็ต้องเอามาร้องเพลงกันสิ น, นะครับ เรียนวิชาอะไรก็ต้องแปลงให้มันเป็นเสียงเพลงอาไปหมดเลยถึงจะจําได้ใช่ไหมประวัติศาสตร์นี้ก็ต้องร้องเพลงไว้ลยกรุงศรีอยุธยาเกิดขึ้นเมื่อพอสอนั้นพอสอนี้กรุงเทพเกิดขึ้นอย่างไรมาอย่างไรร้องเป็นเพลงไี้เมื่อไหร่มันจะจบล่ะดังนั้มันไม่ถูกพูดง่ายๆเกิ๋ง อ, อย่าไปร้องถ้ารสวดก็สวดไปตามภาษาไม่ต้องมีทำนอง ภาษามันเป็นธำนองของมันอยู่แล้วอารหังสัมมาสัมพุทธโธพระกวาเนี่็มันก็เป็นเงไม่ต้องไปยากลากเสียงยาวอารหังสัมมาสัมพุทธโธพระกวานยไม่ต้องไปล้องแบบนั้นสวดเพื่อให้ใจเรามีสติให้เราสงบไม่ให้ไปคิดเรื่องราวต่างๆอันนี้ก็เป็นวิธีทำสมาธิถ้าอยากจะได้ปัญญาก็อ่านคำแปลว่าท่านพูดอะไรท่านสอนอะไร ในธรรมจักรท่านก็สอนว่าอมีทางสายกลางมัชฌิมาปฏิปทาคือมรรคที่มีองค์แปดมีอะไรบ้างสามมาทิฏฐิสามมาสามมาังกปโงก็อ่านไปสิทาไมต้องไปร้องเพลงไปร้ปองมันทําไมเราต้องการความรู้ความเข้าใจจากการอ่านคําแปลไม่ต้องการที่จะไปะไปร้องมันอยากจะร้องก็ไม่ห้ามถ้าอยากจะร้องแล้วมันทําให้จำได้ก็ร้องไป แต่เราค่ไม่จําเป็นจะต้องรอง้องอ่ะอ่านยิ้เฉยมันก็จําได้เหมือนกันการต่อไปจากคุณมูครับการนั่งสมาธิทําให้เห็นตัวความคิดว่ามันคิดเกิดทุกข์ก็เกิดมันคิดตินเรื่องตลอดเวลาผลคือทุกทุกเรื่องวุ่นวายใจจนนั่งต่อไม่ได้ขอคําแนะนําเจ้าค่ะก็บอกไม่ให้ไปดูความคิดงไงให้หยุดความคิดเวลานั่งสมาธิตอนต้องการความสงบ ให้มันอยู่กับพุโทโธแทนมันไม่อยู่ชอบไปนั่งดูความคิดกินแล้วมันก็อึดอัดขึ้นมาเกิดความอยากจะไปทํานูน่ทนทํานี่มันก็นั่งต่อไปไม่ได้แต่ถ้ามันอยู่กับพุโทโธพุโทโธไปมันก็จะลืมเรื่องความอยากจะไปทําอะไรต่างๆมันก็จะนั่งสบายสงบในเวลานั่งสมาธิอย่าไปคิดให้หยุดความคิดด้วยการให้อยู่กับลมหายใจเข้าออกดูลมหายใจเข้าออกอย่างเดียวไม่ต้องใช้พุโทโธ ถ้าจะใช้พุโทโธก็ไม่ต้องใช้ลมหายใจเข้าออกท่องพุโทโธพุธโทโธไปเพียงอย่างเดียวแล้วใจมันก็จะหยุดคิดพอมันหยุดคิดแล้วมันก็เย็นสบายมีความสุขเนี่ยเนี่ยแสดงว่านั่งสมาธิไม่เป็นนั่งแล้วไปดูความคิดเนี่ยยิ่งคิดมันก็ยิ่งดูก็มันก็ยิ่งคิดใหญ่ยิ่งคิดมันก็ยิ่งฟุง้งยิ่งฟุ้งมันก็ยิ่งอึดอัใจเดี๋ยวมันก็อยู่ไม่ได้นั่งเฉยเฉยไม่ได้ ถ้าอยากจะนั่งเฉยๆได้ต้องหยุดคิดนะต้องมีอะไรควบคุมความคิดเช่นพุโทโธพุโทโธหรือการดูลมหายใจเข้าออกมันก็จะทำให้เราหยุดคิดได้คำถามต่อไปจากคุณริ์ครับทำไมการเอาชนะความอยากโดยเฉพาะเรื่องการยากเหลือเกินครับนึกถึงความแก่อสุภะอานิจจงทุกอย่างไม่เที่ยงมันก็ยังผุดขึ้นมาตลอดครับราบเรียนถามครับผม เพราะแรงของมันเยอะกว่าไงแรงของกางมันเยอะกว่าแรงของทำถ้าเป็นคนชักกระยอะฝ่ายนึ่งเขามีสิบคนเรามีคนเดียวเนี่ยชูเขาไม่ได้ล่ะเราเป็นกำลังมากกว่าพอเราส่งเสริมเขามาตั้งแต่หลายภพหลายชาติแล้วเกิดมากี่ภพกี่ชาติก็คิดแต่ของสวยๆงามๆคิดแต่คนหน้าตาดีรูปร่างหน้าตาหน้าลักหน้าไข่ มันไม่เคยไปดูสร้างศพกันเลยพอมาดูแป๊บเดียวมันจะไปจำได้เลยถ้าอยากจะจําได้ไปนั่งเพ่งดูสร้างศพสักสิบวันเลยไปนั่งดูมันทั้งวันต่อดูมันทั้งวันเดูให้มันจําได้นะต่อไปมันยังมีกําลังพอมันจะคิดถึงของสวยๆเงี่ยงานก็บอกเดี๋ยวมันก็ต้องกลายเป็นสร้างศพนะเนี่ยคนเราทุกคนเนี่ยต่อไปมันจะเป็นอะไรเป็นศพไหมแต่ไม่ใครคิดก็ว่าเป็นศพกันเลยมช่ไ เนต้องดูบ่อยๆแล้วต่อไปภาพของศพมันก็จะฝังอยู่ในใจเหมือนกับการหัดท่องสูตรคูนเนี่ยถ้าเราไม่ท่องสูตรคูนเราก็จําไม่ได้ใช่ไหมแต่ถ้าหาท่องไปเรื่อยๆท่องไปเรื่อยๆยมันก็จําได้กอไก่ขอไข่ขไขนี่ก็ต้องท่องกันก่อนถ้าไม่ท่องก็ไม่รู้อีกว่า ม, มีอะไรบ้างถ้าอยากจะให้จําสูตรจะจํำซากศพได้ก็ต้องดูมันบ่อยๆสิ อนี้เรามีทั้งภาพมีทั้งอะไรให้ดูอยู่ตลอดเวลาทำไมไม่ดูกันก็ชอบไปดูของอย่างอื่นชอบไปดูของสวยๆเงางามกันเนี่ยวันนี้ดูสรางศพกันหรือยังก็เรานี่แหละเวลามีภาพวิผมก็คิดถึงเวลามันตายบ้างสิเวลามันตายมันจะเป็นอะไรเห็นสรางศพอยู่ทุกวันแต่มองไม่เห็นสรางศพเห็นแต่นางฟ้านางงามเ พอไหมเพราะเราไม่คิดถึงทางถึงมันมันก็เลยไม่มีกําลังมันคิดแต่ของสวยๆงามงามแม้แต่หน้าตาตัวเองก็สวยๆงามงามตลอดเวลาพอมีผิวมีฝ้าไหนก็อยากจะปิดมันละหาอะไรมากบมันนะพอน ห, หนังหิวไหนยก็หาวิธีดึงให้มันตึงอมันไม่ยอมมองความจริงมันไม่ยอมมองบสภาพสพมันก็เลยมองไม่เห็น มันเลยก็เลยสู้มันไม่ได้สู้กิเลสไม่ได้ฉันถึงบอกให้ไปเยี่ยมป่าช้าบ่อยๆทำไมก่อนป่าช้ามีแต่เขาเอาศพไปทิ้งไว้ไม่ได้ฝังไม่ได้เผามันจะมีศพชนิดต่างๆตายสามวันตายห้าวันตายเจ็ดวันมีมีหลายชนิดให้ดูอันนี้เราก็มีภาพให้เข้าไปถ่ายมาให้ดูกันเราก็ปล่อยภาพเราั้นดูสิ หนังสือกายากตาสติของน้องตานั้นก็มีรูปภาพของซากศพต่างๆที้จิตเรามันมันรับไม่ได้มันไม่ชอบของนี้มันมันต่อต้านพอดูหน่อยก็เกิดอาการขึ้นไส้อะขึ้นไส้อยากจะอเจียนขึ้นมามันเลยทนดูไม่ได้มันเลยไม่สามารถจําได้มันก็จะคิดแต่้รูปสวยๆ ง, งามๆ แล้วมันก็จะเกิดความไข้ขึ้นมาเกิดการอารมณ์ขึ้นมาเน้นต้องพยายามอ่าสอนตัวเองให้หัดดูภาพนึกถึงภาพของศพบ้างไม่ไม่ไม่ใช่บ้างบ่อยๆมากๆดูยันทั้งหลับตาก็เห็นลืมตาก็เห็นเวลาเห็นใครเห็นก็เป็นซากศพไปหมดเลยมีใครไม่เป็นซากศพบ้างเนี่ยที่นั่งอยู่ในนี้ เวลาตายมันก็ไม่มาถ่ายรูปตอนที่เราตายเนี่ยเขาเก็บว่าสมมิทิษิเลยคำถามต่อไปจากคุณนานโนนะครับการเจริญปัญญาพระทรรมพระสูตรใดเจริญปัญญาได้มากครับก็ทุกพระสูตรเนี่ยเป็นปัญญาทั้งนัน้นมันมีปัญญาหลายระดับเนี่ยมันแล้วแต่เราอยู่ในระดับไหนแเราระดับอนุบาลแล้วก็ปัญญาระดับอนุบาลเราอยู่ระดับปฐมมันก็มี มันก็เป็นปัญญาทั้งนั้นเรียนหนังสือทุกชั้นมันก็เป็นปัญญาทั้งนั้นเนี่ยเด็กอนุบาลก็ได้ปัญญาระดับเด็กกันโนบาลเด็กปถมก็ได้ระดับปถมไปเนี่เราอยู่ในระดับไหนเราก็เรียนในระดับนั้นไปคําถามต่อไปจากคุณตัณหาเพราะว่าตันหาวิภาวะตันหาครับวัดที่กระผมอยู่มีพระสี่รูปแล้วไม่มีการประกอบาศาสนาพิธีไม่มีการสวดมนต์ไม่มีพระพุทธรูปไม่ค่อยมีญาติโยม บางทีก็ไม่มีโยมเลยมีแต่เน้นปฏิบัติถือธุดมขอรับแล้วบุบทสวดบางอย่างเช่นปาติโมบพระต้องประกอบพิธีแต่ที่นี่ไม่มีขอรับเหมือนวัดล้างเลยขอรับบางสิ่งบางอย่างจริตไม่ตรงกันกับพระที่นี่ขอรับทาชี้แนะขอรับหรือว่าผมต้องย้ายวัดก็แล้วแต่คุณนะ่ะแั่ต่อจเจนชัครับ เป็นอัลไซเมอร์แล้วจิตคงไม่รับรู้ใช่ไหมครับเราก็ไม่เคยเป็นมาก่อนเราก็ไม่รู้เป็นยังไงใครรู้บ้าอัลไซเมอร์เป็นยังไงก็ไม่มีใครเป็นสักคนนะก็เพียงแต่ได้ยินได้ฟังว่าจําไม่ได้เนี่ยอัลไซเมอร์จําไม่ได้ขนาดนั้นก็ไม่รู้เพราะจไม่ได้กันทั่งกินกินไปแล้วก็จําไม่ได้เนียเวลาเท่าไหร่ก็ไม่รู้จําไม่ได้ว่าเป็นเวลาใดเนี่ยอันนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันคื ทำอะไรด้วยตัวเองไม่ได้ต้องอาศัยคนอื่นใช่ไหมเป็นเหมือนเด็กไปเลยเหมือนเด็กทารกไปหลงไปเลยอ่ะไม่รู้อะไรทั้งนั้นใครบอกให้ทําอะไรก็ทําไม่ทําก็ไม่ทําำ้าจะอยู่เฉยๆนะพวกนี้เวลทาท่าเนี้ยอาจจะอยากจะเดินไปไหนก็เดินไปเดินไปหายบ้านออกจากบ้านไปกลับบ้านไม่ถูกนี่พวกอัลไซเมอร์แบบนี้เออ่อ แต่จิตมันยังอยากไปอยู่มันก็ไปของมันนะจิตตัวอยากมันพาไปแต่ตัวจํามันจําไม่ได้มันอยู่ที่ไหนแต่กลับบ้างก็จําไม่ได้สัญญาหายไปไม่รู้สัญญามันไม่หายหรอสัญญามันอยู่กับจิตแต่การความจําเรื่องต่างๆนี่มันทีนต้องใช้สมองเป็นตัวประกอบนจําสถานที่จําหน้าตาคนอะไรพวกนี้มันต้องผ่านสมองก่อนแล้ถึงส่งไปที่ใจอทีนี้ไอ้ตรงสมองมันหยุดทํางานมันก็เลยไม่ส่งไปที่ใจ ใจมันไม่หายหรอกนามขันมันไม่หายเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันไม่หายพอไปเกิดมามันก็มันก็เป็นมันก็จำได้ทุกอย่างเพราะมันอาศัยผ่านทางร่างกายจำรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆได้แต่พอสมองมันจำไม่ได้มันไม่ส่งข้อมูลไปให้จิตจิตก็เลยจำไม่ได้เท่านั้นเองคำถามต่อไปจากคุณมูครับ เมื่อเราตายไปแล้วไม่ว่าจิตจะอยู่ในสภาวะสุขหรือทุกข์ขณะนั้นเราสามารถสร้างบุญเพิ่มได้ไหมครับไม่ได้หรอกเป็นเวลาที่ไปรับผลบุญเหมือนเวลาที่เรานอนหลับเนี่ยเวลานอนหลับเราไปทาบุญได้หก็มีแต่ฝันดีฝันร้ายฝันดีก็สุขก็เป็นสวรรค์ไปฝันร้ายก็ทุกข์ก็เป็นอบายไปช่วงที่เราไม่มีร่างกายนี้เป็นช่วงที่ไปรับผลบุญผลบาปเป็น จะมาทําบุญทําบาปกันได้ครั้งก็ตอนที่มีร่างกายถ้าได้ร่างกายของเดรัจฉานก็ทําบุญไม่ได้มันก็ไปทําตามตามตามอํานาจของของบาปที่มันติดตัวไปจนกว่ามันจะได้มาเกิดเป็นมนุษย์แต่มันถึงจะมีโอกาสที่จะเลือกทําบุญหรือทําบาปได้มันก็อยู่ที่สิ่งแวดล้อมเวลามาเกิดถ้ามาเกิดกับคนที่ชอบทําบาปเขาก็ชวนไปทําบาปต่อ ถ้ามาเกิดกับคนที่ชอบทำบุญเขาก็ชวนเราไปทำบุญต่อแต่ถ้าจิตของเราชอบทำบุญอยู่แล้วถึงแม้คนจะชวนไปทำบาปก็ จ, จะไม่ไปทำก็ได้ถ้าเราชอบทำบาปอยู่แล้วถ้าคนจะมาชวนไปทำบุญก็ จ, จะไม่ไปก็ได้มันอยู่ที่ว่านิสัยของเราหนักไปทางไหนแรงหรือไม่แรงถ้านิสัยไม่แรงใครชวนไปไหนก็ไปก็สิ่งแวดล้อมก็ช่วยได้ ช่วยไปในทางดีก็ได้ช่วยไปในทางไม่ดีก็ได้แต่ถ้าเป็นคนที่หนักไปทางใดทางหนึ่งสิ่งแวดล้อมบางทีก็เปลี่ยนไม่ได้อย่างพระพุทธเจ้านี่หนักไปทางทําบุญพ่ออยากให้เป็นจักรพรรดิท่านก็ไม่เป็นท่านไปบวชแทนนีอันนี้แสดงว่าจิตของท่านนี่หนักไปได้ทางทางบุญแล้วแถ้าบางคนนี่จิตหนักไปทางบาปถึงแม่พ่อแม่จะ ให้ไปบวชก็เสิกเนี่ยแล้วก็ยบวชอยู่ไม่ได้บวชก็อยู่ได้ชั่วคราวแบบบวชเพื่อทดแทนบุญคุณ้วพอถึงเวลาก็เสรกมาไปทําบาปต่อเพราะใจจิตมันชอบทําบาปมันหนักมาในทางทําบาปเนั้นบุญกับบาปที่เราทํานี่มันจะเป็นตัวที่จะเป็นนิสัยของเราต่อไปแต่ถ้าไม่มี ไม่มีร่างกายนี่รับผลบนได้ใช่ก็น่าเสียเวลาไม่มีล่างกายเป็นแลบรับรับผลก็รับฝันดีไงฝันดีมันก็เป็นสวรรค์ไงมีความสุขไงถ้าฝันร้ายก็เป็นอบายเป็นเปรตเป็นนรกไปฝันว่ามีคนมาตามฆ่าเรามีคนมากันแกแล้งเรามีคนมาจับเราไปขังคุกทําให้เราอดข้าวอดอะไรต่างๆนี่มันก็ฝันไป แล้วมันก็เป็นจริงอย่างที่มันก็ความรู้สึกก็เหมือนเป็นของจริงเลยเวลาเราฝันเนี่ยเวลาทุกข์ก็ทุกข์จริงๆริงไเวลาฝันเนี่ยเวลาสุขก็สุขจริงๆริงไแล้วเราไปเปลี่ยนแปลงมันได้ไหมไม่ได้ช่วงนั้นมันก็ต้องปล่อยมันไปตามกระแสของบุญหรือบาปที่มันทําให้เราฝันดีเราฝันลายไปจนกว่าเราจะมาตื่นมาได้ร่างกายอันใหม่ก็ตื่นขึ้นมาใหม่ตอนนั้นเราก็เริ่มควบคุมการกระทําของใจเราได้แล้ว ถ้าเรารู้จักควบคุมบางคนก็ควบคุมไม่ได้กระแสะความทำบาปก็ยังชวนไปทำบาป ก, ก็ไปทำต่อแล้วคนที่ชอบทำบุญกระแสะของบุญก็จะนึงให้ไปทำบุญต่อแต่ถ้าเรารู้ว่าเรากำลังไปในทางบาปแลวไม่ดีเราก็สามารถเืนมันได้เหมือนเรือที่มันวิ่งไปทางหนึ่งเราเห็นว่ามันทางนั้นไม่ดีล้วก็คาดหางเสือให้มันไปอีกทางหนึ่ง แต่เวลาคัดถังเสือก็ต้องใช้แรงเลย่ยถ้าแรงกำลังไม่พอก็คัดไม่ได้เหมือนกันนอกจากพูดถึงพวกที่เป็นอัลไซเมอร์ซึ่งมันเป็นโรคที่ไม่ว่ารักษาไม่หายเรงนี้แสดงว่าเขาอาจจะต้องมีวิบากกรรมอะไรที่เขาทำไว้ก็เกิดไง <c oughs> เกิดมาแล้วก็ต้องเจ็บเนเจ็บแล้วก็ต้องตายนี่กับสมองของแต่ละคนมันก็อาจจะ มีศักยภาพไม่เหมือนกันบางคนก็เสื่อมเร็วบางคนก็เสื่อมช้าอยู่ที่พฤติกรรมของการดำรงชีวิตใช่ไหมส่วนหนึ่งมันมีมันเหตุปัจจัยหลายอย่างด้วยกันที่ทําให้คนเราเจ็บไข้ได้ป่วยไม่เหมือนกันบางคนก็ไปเป็นมาเรง็งบางคนก็ไปเป็นโรคหัวใจบางคนก็ไปเป็นโรคเบาหวานความดันมันก็ขึ้นอยู่กับกรรมพันธุ์ในส่วนหนึ่งของร่างกายอีกส่วนนึ่งก็อยู่ที่พฤติกรรมใช่ไหม ของการกินการอยู่ของเราขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมอากาศที่เราหายใจน้ำที่เราดื่มเข้าไปของเรานี้มันก็มีผลที่จะไปทำให้เกิดโครคภัยไข้เจ็บที่มันต่างกันไปแต่ค่าสนุปง่ายว่าเกิดแล้วก็ต้องเจ็บแล้วก็ต้องตายก็จบไม่ต้องไปวิเคราะห์ให้มันเหนื่อยออเข้าใจไหมนี่มันจะเจ็บแบบไหนตายแบบไหนมันมันมันหลากหลายเพราะมันมีเหตุปัจจัยที่ทาให้เจ็บให้ตาย หลากหลายต่างกันไปบางคนยังไม่ทันแก่เลยก็รถชนตายแล้วรถพลิกคว่ำตายก็มีบางคนก็ไปเสพยาตายก็มีบางคนก็ไปจี้เขาแล้วถูกเจ้าหน้าที่ตารวจยิงตายก็มีแล้วมันมีวิธีตายหลากหลายด้วยกันมันก็อยู่ที่พฤติกรรมของแต่ละคน <c oughs> แต่ต้นเหตุที่แท้จริงก็คือตัณหาอคือการมาเกิดเนี่ยแล้วต้นเหตุของการมาเกิดก็คือความอยากต่างๆเนี่ ความอยากที่จะใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขนี่แหละการ ม, มาตัณหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสมันก็ทําให้เราต้องมีตาหูจมูกนิ้นกายถ้าตัดตัวนี้ได้ก็ไม่ต้องกลับมาเกิดไม่ต้องมีร่างกายก็ไม่ต้องมาเป็นโรคอัลซาร์ไม่ต้องมาเป็นโรคหัวใจไม่ต้องมาเป็นโรคมะเร็งกันแต่ถ้าเกิดแล้วก็เตรียมตัวได้แล้วเราจองไว้แล้วจองโรคใดโรกหนึ่งไว้แล้วเอเอถึงเวลามันก็จะมา นะมาเชิญเราไปพี่ถึงเวลาไปแล้วไปรักษาได้แล้วมีอีกไหมครับมีครับคำถามต่อไปจากคุณรักสัตรครับไป ป, ไปปฏิบัติธรรมแล้วรู้สึกว่ามีความอยากมากขึ้นและรู้สึกว่าคนอื่นสามารถได้ยินความคิดเราคิดมากๆเลยทํำยังไงดีครับก็เป็นความรู้สึกของเร า, าเราไปทางมก่อนเลยได้ยินความคิดเราหรื้เปล่า ใช่ไบางทีเราก็คิดไปเองแล้วความอยากที่มันมากก็เพราะว่ามันไม่ได้ทําตามความอยากมันก็ยิ่งอยากใหญ่ใช่ไหมมันไม่ได้เป็นเพร่อไปปฏิบัติธรรมแล้วถ้าเกิดความอยากมากขึ้นแต่เพราะว่าเราก็ําลังสู้กับมันยิ่งสู้กับมันมันก็ยิ่งดันและเราแรงขึ้นมาใหญ่แต่ขนาดไม่ปฏิบัติธรรมมันก็ยังมีอยู่มันก็ไม่ได้ตายมันก็มาเหมือนกับเดิมแหละมันความอยากมันไม่ได้ลดน้อยไม่ได้เพิ่มมากขึ้นจากการปฏิบัติธรรมหรอก เพียงแต่ว่าเราปฏิบัติยังไม่ได้ผลมันก็เลยมันก็เลยยังไม่ได้หยุดความอยากไม่ได้ลดความอยาก้าจิตเราสงบแล้วความอยากมันก็จะลดลงไปเองคำถามต่อไปจากคุณอนิจจังครับเมื่อร่างกายตายไปแล้วเหลือแต่จิตวิญญาณแต่ทําไมเวลาคนเห็นวิญญาณถึงเห็นเป็นรูปครับก็เวลาฝันก็เราก็เห็นเป็นรูปทำไมไม่ใช่นะเห็นไหม เราเห็นเป็นรูปโดยที่ไม่มีตาใช่ไหมเรา เ, เราหลับตาใช่ไหมเวลาเรานอนฝันเนี่ยเราลืมตาเป่ะแต่เวลายังเห็นรูปเสียงกลิ่นรสอ่ะเรายแลรูปทิพย์เสียงทิพย์กลิ่นทิพย์เนี่ยวิญ ญ, ญาณนี่ก็เป็นรูปทิพย์เสียงทิพย์กลิ่นทิพย์เราเห็นผู้ที่ตายไปแล้วได้ด้วยการสัมผัสทางรูปทิพย์เสียงทิพย์กลิ่นทิพย์ของเราคําถามต่อไปจากคุณสุวรรณาครับ เริ่มนั่งสมาธิจะนึกเริ่มนั่งสมาธิจะนึกพุโทโธเรื่อยๆแล้วคำว่าพุโทโธจะค่อยหายไปลมหายใจจะชัากว่าแบบนี้ลูกต้องมีสติกับคำว่าพุโทโธตลอดใช่ไหมเจ้าคะ่คะควรยาวอย่างใดอย่างหนึ่งนะถ้าจะพุโทโธพุทโธไ ป, ไปถ้าจะดูลมก็ดูลมไปยาวทั้งสองอย่าเอาอย่างใดอย่างหนึ่งดีเปล่าถ้าพุโทโธก็พุทโธไปเลยไม่ต้องดูลมถ้าดูลมก็ไม่ต้องพุทโธ มันจะได้มมนมาสงสัยว่ายาวตัวไหนดีเอาตัวเดียวให้อยู่กับลมก็ลมไปตลอดเวลาอย่าให้มันหายไปมันหายให้มันหายไปเองไม่ใช่เราหายจากมันให้มันหายจากเราถ้าพุทโธก็เหมือนกันให้มันอยู่กับพุทโธไปเราอย่าไปหายจากพุทโธให้พุทโธถ้าจิตมันสงบแล้วพุทโธมันจะหายเองตรงนี้ผมคิดว่าถ้าจากพุทโธหายแล้วก็รู้สึกถึงนา ก็อย่าไปคาดเลยเราเราก็ไม่รู้ว่าเขาทำยังไงคำถามต่อไปจากคุณนาโนกายคตาสติวางจิตอย่างไรครับกายคต า, ต า, ก, ตากายคตากายคตาสติก็ให้ดูที่กายดูการเคลื่อนไหวของร่างกายไม่ว่ากําลังทําอะไรให้จิตจดจ่อเฝ้าดูการเคลื่อนไหวไม่ให้จิตไปคิดเรื่องอื่นเป้าหมายก็คือต้องการหยุดความคิด ให้รู้เฉยๆให้รู้ว่าร่างกายตอนนี้กําลังทําอะไรอยู่เป็นกาลังหวีผมกําลังแปรงฟันกําลังล้างหน้าก็ให้ดูมันไปอย่าให้ไปไม่ใช่แปรงฟันไปก็คิดว่าเดี๋ยวจะไปกินอะไรต่อเนีอย่าอยู่กับการแปรงฟันอย่างเดียวอย่าอยู่กับการล้างหน้าอย่างเดียวหวีผมอย่างเดียวนี่เรียวกว่ก า, ากายกระตาสติให้ให้จิตเฝ้าจดจ่อ ด, ดูการเคลื่อนไหวของร่างกาย จะได้หยุดความคิดต่างๆได้แ้วเวลานั่งก็ให้ดูลมหายใจต่อแล้วมันก็จะไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วมันก็จะสงบได้มด่นได้ยังเออสักคำถามก็พอละมีมมอสองคำถามนะครับโอเคแต่คุณหลิงเวลานั่งสมาธิชอบยึดกายยึดเวทนาแล้วเราสอนจิตให้ละกายละเวทนาแล้วยึดมากก็จุดควายเผาจนไม่ยึดแล้ว ก็เกิดอาการดิ่งอย่างนี้ถูกต้องไหมครับดิ่งยังไงก็ไปดูถ้าดิ่งก็ส ง, งบนิ่งสั่งแต่ว่ารูกก็ถูกต้องอันดับสุดท้ายจัดคุณสุขภูมนะครับหนูมีข้อสงสัยว่าตอนเรียนต้องเรียนถึงระดับปริญญาตรีและการปฏิบัติต้องมีขั้นหรือเปล่าหรือว่านั่งไปเรื่อยๆพุโทโธเท่านั้นครัก็มีขั้นขั้นตอนก็ฝึกสติ เมื่อเสร็จมีสติแล้วก็นั่งให้มันจิตรวมให้มันสงบเป็นสมาธิเป็นอุเบกขาแล้วพอ อ, อจากสมาธิมาก็ขั้นปัญญาสอนใจให้หยุดความอยากต่างๆเพราะความอยากมันจะมาทำลายความสงบความเป็นอุเบกขาของจิตที่ได้จากสมาธิว่าทาเป็นขั้นๆไปเปหมือนกันหมนกันใช่ไหมเอาแค่นี้ก่อนนะหมดแรงนะ ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิณิพิจณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเถิด